بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلاة وسلام على شرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بأحسان إلى الدين ثم ما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته س ا ت ي ل ع و د ي آيات حزب سام. ซึ่งมีอยู่ส่วนหนึ่งที่ ยังต้องขยายความหมายอีกนิดหนึ่งอาญาเถิดลอสุบฮานองหัวตาและได้ได้ประนามประนามทางอ้อมปฤติกรรมของมุนาฟิกีนที่ละเมิดล่วงเกินบัญชาของลอสุบฮานองหัวตาและส่งผลให้ความโกรธกริว้ว ที่ a l l a سبحانه และ تعالى มีต่อเขาวนี่ยองค์จะไม่ตอบรับการบริจาคของเขาแม้ว่าจะเขาจะเขาจะบริจาคด้วยความสมัครใจหรือด้วยความฝืนใจโอลอันฟิกุตัวอันอัลครฮันเลยจะขับเบล์มิ่กุมอินนักุมกุนตุมข้าวมันฟาสิคีนจงกล่าวเอิดงอ้มุฮัมมัดว่า พวกท่านจงบริจาค ก, กันเถิดทั้งด้วยสมัครใจหรือด้วยฝืนใจก็ตามมันจะไม่ถูกรับจากพวกท่านเป็นอันขาดแต่จริงพวกท่านนั้นเป็นพวกที่ละเมิดแท้จริงพวกท่านเป็นพวกที่ละเมิดนี่มันคือเหตุผลของการไม่ตอบรับการบริจาคไม่ตอบรับการบริจาคเพราะอะไรเพราะพวกท่าน เป็นผู้ละเมิดแดริกะิกะที่ไม่ได้แดริกะมันเป็นสพานานั่นนั่นการที่ม่รับการบริจาคของพวกท่านแดริกะอันนักุมเนื่องจากว่าแท้จริงพวกเจ้าเนี่ยเป็นผู้ละเมิดสแสดงว่าความผิดลำบาก หรือความชั่วที่เราได้ทำมันอาจไม่ได้มีผลลบาปเฉพาะเฉพาะในการงานที่เราได้ทำมันอาจจะส่งผลให้ความดีอื่นที่เราได้ทำเนี่อรับผลกระทบไปด้วยเนี่ยชัดเจนเขาละเมิดอละเมิดเนี่ยก็ก็ก็ถูกถูกลงโทษในสในส่วนที่เขาละเมิดสิ ไม่การเละเมิดของเขานี่ส่งผลให้อารัสุาหานวัตกรรมไม่ตอบรับการบริจาคของเขาแต่นั่นนี่มันไม่ไม่ได้เสมอต้นเสมอปลายนะไม่ใช่หมายถึงว่าทุกความชั่วนี่จะส่งผลกับความดีทั้งหมดเลยอรรถาภิษฎได้บอกว่าความชั่วส่งผลต่อความดีอาจทางตรงหรือทั้งอ้อมเช่นนี้ การละเมิดของมุนาพิกินเนี่ยคืออะไรก็คือไม่จริงใจในเรื่องความศรัทธาบางกลุ่มของพวกมุนาพิกีนเนี่ยคือกลับขอกเลยคือหัวใจเขาไม่มี إ ي م านเลยแค่แสดง إ ي م านแต่หัวใจเขาเนี่มีแต่การปฏิเสธการละเมิดแบบนี้แน่นอนชนิดของการละเมิดนี้จะต้องทําให้ผลและบุญผลและบาปนี้ทําให้ผลและบุญอื่นเนี่ยไร้ผลไร้ผลอย่างสิ้นเชิง แต่ไม่ใช่กันและเมื่อทุกกันและเมื่อจะทําให้ผลลบุญมันจะสิ้นซากไปไหมที่ว่าไ ม, ไม่ไม่ไม่มีไม่มีผลรับไม่แต่มันอาจจะรับผลกระทบทั้งอ้อมสิ่งเช่นเราทําบาปมองถึงสิ่งที่ห้ารอมหรือพูดในสิ่งที่ห้ารอมมันจะส่งผลส่งผลต่อเรื่องคูชัวในและมาส่งผลต่อเรื่องเรื่อง อใครควรในคุรอ่านส่งผลต่อเรื่องอะไรหลายอยา่างที่รางวัลในความดีต่างๆเนี่ยอัลลอฮฺจะให้กับผู้สถาเนี่ยไม่เท่ากันแต่จะให้ตามสภาพของความจริงใจของแต่ละคนคนละหมาทุกคนในละหมาดแต่คนนี้ละหมาดแล้วก็พยายามที่จะสำรวมตัวไม่ใช่เฉพาะตอนละหมาดนะสารวมตัวเนี่ย ในเวลาอื่นที่ไม่ใช่เวลาละหมาดเนี่ยมนุษย์นี่ก็เหมือนเหมือนคอมนี่แหละเวลาข้อมูลมันเยอะนะทำอทำให้อะไรเกิดขึ้นเวลาขอ้ขอมูลมันเยอะแล้วก็ฮาดดิสมันแยนี้แนะห้งที่จริงเนี่ยถ้าเราเข้าใจว่า อวัยวของเราสมองหัวใจอวัยวะที่ถูกออกแบบจะได้ใช้งานอย่างหนึ่งอัลลอฮฺสุบฮานาตะละกาในคุรานสุรตอันนั้นอัลลอฮฺอัครจะคุมิบุตรนอุหมะฮดีคุณละตกลมูเนชัยอัลลอฮบกเจ้าอกจกมลูกของมันนะของพวกเจ้าี่ไม่รู้อะไรเลยถูกต้องมได้เกิดมาเป็น เป็นนักวิทยาารเกิดมาเป็นนักแสดงเกิดมาไม่รู้อะไรเลยว ا ل จะอะไรก็คุ้มัมภาวลับซาร์และเอฟดะให้บอกเจ้านุ่มอย่าสัมภามีหมีหูบซารมีตาเอฟิดคือหัวใจและสมองอะไรที่กุรอานพูดถึงหัวใจนี่หมายถึงสมองให้มีหูมีตามีหัวใจทไมเหลอัละกุมชกรพวกเจ้าจะได้ขอบคุณก็คือกตัูต่อ หมายถึงว่าอวัยวะต่างๆนี้ถูกสร้างขึ้นมาถูกออกแบบขึ้นมาให้ทำหน้าที่อีกเรื่องเดียวขอบคุณพระเจ้ากิจกรรมการงานต่างๆการเคลื่อนไหวของเราในโลกดุนยานี้มันก็ต้องมุ่งไปสู่เป้าหมายขอบคุณขอบคุณพระเจ้าฉะนั้นอวัยวะไม่ได้ถูกออกแบบให้ไม่ได้ถูกออกแบบให้ใ ห, ให้ให้ทำบาป เพราะการทำบาปมันไม่ได้เป็นการกระตันอยู่ต่อพระเจ้ า, า, าการทำความชั่วไม่ได้เป็นการสวามิภักาาาต์ต่อพระเจ้าพออวัยวะต่างๆเนี่ยทำงานในสิ่งที่ไม่ได้ถูกออกแบบนั้นแน่นอนต้องแหง้งเขาเรียอะไรสว่านมันจะมีไอ้ที่เจาะนี่นะไอ้เนาเรียอะไรไอ้ดอกเ อ, อ็เอนด ไอ้ดอกของมันมีเฉพาะนะดอกดอกไว้เจาะไม้มีดอกไว้เจาะปูนมีดอกไว้เจาะเหล็กเอาของไม้ไปเจาะเหล็กดิฮะอะไรจะเกิดขึ้นเอาของไม้ไปเจาะปูนดิอะไรจะเกิดขึ้ น, ป, ป, น, รนประมาณเนี้ยอวัยวะของเราเนี่ยถ้าถ้าไปถูกใช้ในสิ่งที่ไม่ไดีถูกออกแบบแน่นอนมันก็ต้องเกิด มันก็ต้องเกิดปัญหาสังคมทั้งหมดเนี่ยเวลารวมตัวกันใช้อวัยวะของทุกภาคส่วนของมนุษย์เนี่ยที่เป็นสมาชิกในสังคมเนี่ยรวมร่วมกันใช้อวัยวะของเขาในสิ่งที่ไม่ได้ไม่ได้ถูกออกแบบความเสื่อมเสีย ม, มันต้องเกิดขึ้นในภาคมนุษย์บุคคลเนี่ยหรือในภาครวมของสังคมหรือในโลกโลกทั้งหมด ทฤษฎีนี่แม้กระทั่งเรื่องสิ่งแวดล้อมระบบนิเวศ ท, ทั้งหลายก็เหมือนกันเมือ่อ Allah สร้างธรรมชาติประสิ่งทั้งหลายเนี่ยมีเป้าหมายของมันพอมนุษย์นี่ไปใช้ในสิ่งที่มันมันผิดเป้าหมายของมันนี่นะมันสะสมความผิดเพี้ยนความบิดเบือนของมนุษย์เนี่ยจนเกิดสิ่งที่เราได้เห็นนี่กำลังเจอกันเรื่องโลกร้อนโลกร้อน ไม่ใช่ศาสนาที่มาฟันธงนะวิยทยาศาสตร์คนค้นหาอะไรอะไรที่มันอาจจะไ่ได้เปลีป่ยนแปลงเนี้ยอะไรมันเกิดขึ้นบางที่นี่ปรากฏว่าปัญหาของอระบบนิเวศเ น, นี่ยเนื่องจากว่าพอมนุษย์นี่ไปนเน้นเรื่องเกษตรไปนเน้นเรื่องเกษตรก็มีแมลงเยอะก็ต้องใช้ยาฆ่ า, า, มาแมลงเ ย, ยอะพอใช้ยาฆ่ า, า, มาแมลงเยอะเนี่ย ค่าทั้งแมลงที่ดีและแมะลงที่ไม่ดีมันก็สร้างปัญหากับระบบยิเวศเพราะอะไรเพราะเราไม่ได้ไม่ได้ใช้ไม่ได้ไม่ได้บริหารทรัพยากรที่อโลให้มาเนี่ยมาต่างๆความบริโปรสานต่างๆที่อโลให้มาเนี่ยตามคือตามเมนูตามคู่มือที่อโลให้มาคู่มือมันไม่ต้องอะไรซับซ้อนอยุ่ยยงยาก อัลลอฮ์อัลลอฮ์บอกนี่พวกเจ้าบริจาคสมัครใจไม่สมัครใจนี ra, ่อัลลอฮ์ไม่ตอบพระพราะอะไรพวกเน้ยละเมิดเนี่ยเอาแค่นี้คู่มือของของเราเนี่ยมนุษย์ด้วยกันมนุษย์กับสัตว์มนุษย์กับสิ่งแวดล้อมทั้งหลายเนี่ยคู่มืออย่าละเมิดอย่าละมิดทําอะไรในโลกนี้เนี่ยมีพระอนุญาตจากเลาสุภาพนองดาง มุสลิมจะฆ่าสัตว์โดยไม่มีเหตุผลแม้กระทั่งแมลงแมงต่างๆที่มันอันตรายถ้ามันไม่ได้มามยุ่งกับเราไม่ต้องไปฆ่ามันไม่ต้องไปฆ่ามันเราไม่ได้บอกว่านู่นงูมันอยู่นู่นห่างจากเราหนี่งห้าไม่ต้องวิ่งวิ่ไปฆ่ามันไปมันอยู่ตรงนู่นเน่ยไยุ่งอะไรกับมันแต่ถ้ามันเกิดอันตรายจึงกระลาวันะ่านใะมีอนุญาตให้ฆ่าที่อนุญาตให้กินเนี่ยอนุญาตให้กินแล้วก็ต้องบิสซิลลาด้วย ติดคุกกันในบ้านสนะองปนะีเนี่ยร่วมโควิดเนี่ยเพราะอะไรเพราะความโลภของคนที่ชอบกินทุกอย่างเลี้ยงทุกอย่างกินทุกอย่างที่มันไม่ได้เป็นอาหารของตัวเองอันนี้ถ้าถ้ามันเกิดจากการได้กินพวกสัตว์ประหลาดนะ่ะนะแต่ถ้ามันเกิดจากที่มีข้อมูลเดีนี้เนะี่ยมันเกิดจากแกลบอะไรก็ไม่รู้มันก็เป็นเหตุการณ์ที่ยืนยันเหมือนกันว่าละเมิด เอาอะไรจะเอาอะไรกับไวรัสที่มาเข้าแลบนี่จะได้ทดลองนู่นนี่ละเมิดนี่และเมิดทั้งนั้นเราสร้างไวรัสขึ้นมาเนี่ยจะได้ดึงเข้าแลบแล้วก็จะ ด, ดูให้เป็นอาวุธชีวภาพนั่นนั่นคือเป้าหมายที่ถ้าเราสร้างไวรัสจะได้หนี่น้ํามือของมนุษย์แท้ๆชัดๆเหมือนกันมุนาฟิกีนก็เหมือนคนที่กําลังกําลังละเมิดหรือล่วงเกินกฎธรรมชาติ กฎธรรมาชาติที่เ l า a h สร้างว่เนี่ยเป็นกฎกฎที่ทั่วเราทุกคนเนี่ยรู้ว่าถ้าถ้าทำลายมันเนี่ยสิ่งเลวร้ายเนี่ยมันก็จะย้อนกลับมาเราถ้าเรานึกจะสนุกสนานนึกจะสนุกสนานคิดคนคิดอะไรที่ทำให้เราสนุกทำอะไรทำผุทำผุ อยากจะสนุกแต่สนุกกันไปสนุกกันมาสนุกเอาสนุกให้เยอะเยะสนุกให้เยอะเยอะก็ต้อผลิตให้เยอะเยอะมันก็เกิดจากน้ํามือของมันนึเกิดจากน้ํามือของเราเราไงไม่ใช่ไม่ใช่เรื่องที่มันเกิดขึ้นในความเสี่งเราเาลับทาดูฟิลบาลรว่าอะไรบีบมากะสับกระส่ายที่ความเสียหายที่มันเกิดขึ้นนี่ก็เพราะน้ํามือถ้าเราได้ปล่อยทุกสิ่งทุกอย่างให้เป็นไปตามธรรมชาตินะ เช่นเดียวกันธรรมชาตินี่คือกฎที่อัลลอฮ์ได้วางไว้ในในในระบบนิเวศของสรรพสิ่งที่มีชีวิตหรือไม่มีชีวิตแต่ว่ามีกฎทางบัญชาของอัลลอฮ์นี่คําสั่งสอนเนี่ยก็มาจากพระเจ้าเหมือนกันถ้าเราละเมิดนะมันก็จะทําลายระบบของของสังคมมนุษย์นะมุนาฟิกีนได้ละเมิดคําสั่งสอนของพระเจ้า ทำให้อะไรอ่ะทำให้ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ด้วยกันเนี่ยมันผิดปกติแทนที่แทนที่มนุษย์เนี่ยจะอยู่ร่วมกันแบบซื่อสัตย์แบบตรงกันตรงไปตรงมาฉันเป็นมุสลิมเธอเป็นยิวเธอเป็นเป็นเป็นเคารพบูชาสักการะสักบสิ่งอะไรต่างๆวันนี้เป็นเป็นพูดคนเนี้ยก็พูดมไปตรงไปตรงมาฉันเป็นมุสลิมเธอเป็นพุทธแต่เขาละเมอเหานไงมไงไม่ มีความไม่ปกติเกิดขึ้นข้างในเนี่ยฉันเป็นอีกอย่างนึ้งแต่ข้างนอกเนี่ยมาบอกว่าฉันอีกอย่าง إذا قل الذين آمنوا قالوا آمننا جبوسا تعبوا เราเป็นผู้เสียใจด้วยกัน وإذا خ ل ل ا شياطين นี่พอพวกสิ่งตอนด้วยกันนี่ยนะก็หลุอินมาของเราเราพวกเดียวกันนะเราไม่ใช่ผู้สียใหรอกเราเป็นพวกเดียวกันนะความไม่ปกติ นอันนี้ไม่ใช่ระบบนิเวศนะแต่มันก็คือมันผิดธรรมชาติของมนุษย์เนี่ยมนุษย์ไม่ได้ถูกออกแบบจะได้เป็นสองหน้าอัลลอฮ์ให้เราได่มีหน้าเดียวนัฉันก็คือฉันนี่ไงฉันก็คือฉันรวมถึงทุกสิ่งทุกอย่างที่มันเป็นการละเมิดนี่สคมละเมิดละเมิดกฎเกณฑ์ที่อัลลอฮ์ได้วางไว้ละเมิดกดธรรมชาติละเมิดคําสั่งสอนนี่ ผู้ชายอยากจะเป็นผู้หญิงผู้หญิงอนี่จะเป็นผู้ชายเนี่ยปัญหาวุ่นวายอันนี้ก็าบอกว่ามีสถิติคนอเมริกาที่อยากจะย้ายประเทศย้ายประเทศไม่ใช่คนไทยอย่างเดียวนะคนอเมริกาก็อยากจะย้ายประเทศเพราะอะไรเพราะกฎกฎหมายที่ออกมาเกี่ยวกับเกี่ยวกับเรื่อง LGBT ปกป้องสิทธิ LGBT ใครมีลูกแล้วอยากจะแปลงเพศนี่พ่อแม่ห้ามอะไรไม่ได้ห้ามนี่ไม่ใช่ดุดุนี่ไม่ได้ดุนี่ลูกไปฟ้องตำรวจได้เลยทั้งหมดนี่มันเป็นการล่วงเกินไม่ใช่ธรรมชาติล่วงเกิ น, มมกนแม้ก็ตทังคำสั่งสอนศีนลธรรมมันก็ทําให้เกิดความวุ่นวายความวุ่นวายในสังคมมันและบางทีนะ คนที่ไม่ได้ทำบาปไม่ได้ทำความชั่วเนี่ยก็มไม่ได้รู้อินุอินเอแต่รับผลกระทบจากคนอื่นที่เขาร่วมกันทำบาปหมายถึงว่าบาปของเขาเนี่ยบาปของเฉพาะคนที่ทำบาปนี่นะมันลามไปถึงทุกภาคส่วนรวมถึงคนที่ไม่ได้ทำบาปด้วยเลาก็เตือนว่ตะครวิดนเดลาตุซิเบนนั่ลเี๋ยนะ ظلم ุมินคุมขอซจงระวังความมุนว้ย ความมุ่่จะไม่ปรากฏเฉพาะคนที่ทำบาปทำความผิดอย่างเดียวนะทั่วเลยเหตุการณ์ที่นราธิวาสทั้งคนที่ทำธุรกิจผู้ลูประทัศนี่แล้วก็คนที่ไม่ไม่รู้เรื่องไม่รู้อินูอิน่โดนกันหมดเลยเพราะอะไรเพราะความโลภของบางส่วนนะความโลภของบางส่วน ถ้าข้อมูลล่าสุดนี้ที่ออกมาบออ๋อนี่นี่มีสวยด้วยนะมีระบบสวยด้วยแต่มีระบบสวยนี่อันนี้ไม่ใช่บางสว่วนเนี่ยอันนี้เป็นระบบแลวจะเป็นระบบนี่หมายถึงว่าทุกภาคส่วนเนี่ยมีส่วนร่วมคือที่จริงเนี่ยตั้งแต่แรกเลยมันมีพิรุตพิรุธว่าเจ้าหน้าที่โอ้นี่ไปกันหมดเลย อบทบรททรทไอ้พวกพวกไอ้สย่อทั้งหมดเลยล้ไปหมดเลยมันมันผิดปกตินะทําไมอ่ะเพราะสามจังหวัดนี่มันก็ระเบิดตะกอนนู้นระเบิดแทบทุกวันเลยระเบิดแทบทุกวันบางบางทีนี่ก็เสียชีวิตก็หลายคนเหมือนกันนะเป็นเรื่องธรรมดาแล้วแต่ทําไมเรื่องนี้เนี่ยโอ้โหแล้วก็ มีมีมีอะไรที่มันไม่มินมันมันไม่ไม่ปกติแต่ที่ผมได้อธิบายเนี่ยมันจะไม่หักล้างอายะอีกอายะหนึ่งที่อัลลอได้บอกว่าอินนะลฮัซานะทียู่ที่บนัซซัยอาแท้จริงผลบุญความดีที่เราได้ทำเนี่ยสะสมผลไวยเนี่ยยุ่ทิบนีมันจะลบล้างอัซซัยอตความชั่อ อีกส่วนหนึ่งที่เราได้ทำาอ่หมความดีมันจะลบล้างความชั่วอไหนว่าตรงนี้หมายว่าความความชั่วความชั่วเนี่ยมันจะส่งผลกระทบกับความดีอันนี้ใช่อันเนในมุมนั้นน่ะหมายถึงว่าความชั่วนี่มันอาจจะส่งผลต่อความดีและความดีเนี่ยมันอาจจะส่งผลต่อความชั่วแต่ทั้งหมดนี่มันก็มันก็เป็นสมการที่ที่ที่เท่ากิเทียมกันนะหมายถึงว่ามันถูกต้องแล้วน่ะ ศา ส, สนาต้องการให้เราเพิ่มทำความดีทำไมอะมันจะได้ลบความชั่วและศาสนาบอกว่าให้ลดทำความชั่วมันจะได้ไม่สง่สงผลกระทบต่อความดีสมการมันถูกต้องแล้วลเรื่องนี้มันก็จะอัลลฮจะมีอธิบายเรื่องนี้ในอายะต่ อ, ตอไปอนี้อัลลอฮ์ามาแจากแจงว่าเหตุผลที่ไม่ได้รับการบริจาคของเขาเนี่ย เพราะมันมีรายละเอียดรายละเอียดนี่จะช่วยในสิ่งที่ผมได้อธิบายข้งต้นที่ผมว่านี่มันมันตกตกค้างจากอาทิตย์แล้วเนี่ยเพราะมันเกี่ยวกับอายะนี้ก็เลยต้องทบทวนย้อนหลังไปนิดนึงนะครับอัลล์ได้บอกยังไงนอายะัดมาาเนี่ย ไม่มีสิ่งใดขัดขวางพวกเขาว่มามเาเนาะขัดขวางพวกเขาในการที่บรรดาสิ่งบริจาคของพวกเขาไม่ถูกรับจากพวกเขานอกจากเสียว่าพวกเขาปฏิเสธศรัทธาต่ออัลลอฮ์ที่อัลลอฮ์ไม่ได้ตอบรับบริจาคของเขานี่หนึ่งเพราะเขาปฏิเสธศรัทธาต่ออัลลอฮ์และต่อรัสูลของพระองค์ ที่นี่เขบอกว่าเท่านั้นเท่านั้นนี่ต้องเอาไปอยู่ข้างหลังเลยอ่อานต่อที่อลัลลอฮฺไมดีตอบรับบริจาคของเขานี่พราะเขาปฏิเสธต่ออัลลอฮฺละซูลของพระองค์และพวกเขาจะไม่มาละหมาดนอกจากพวกพวกเขาจะมีสภาพเกียรติคันหนึ่งปฏิเสธศรัทธาต่อละซูลสองละหมาดแบบแบบเกียรติคันแบบที่เกียจ ละหมาดไม่เต็มที่ไม่เต็มใจแค่ละหมัดขี้เกียจนะอันนี้น่ า, ากลัวเดี๋ยวจะกลมาที่ใบอีกทีว่าละยุ่ฟฝกูนอิลล l วะฮุมการิฮุลและพวกเขาจะไม่บริจาคนอกจากพวกเขาจะมีสภาพฝืนใจทั้งสามประเด็นนะ่ะนะก็คือเขาไม่พอใจไม่เต็มใจต่อร้อะปฏิสัทธาก็ไม่เต็มใจศรัทธา มั arias, winter, hi, ่วปฏิเสธศรัทธาตอพระอก็คือไม่เต็มใจที่ศรัทธาเนี่ยไม่เต็มใจละมาดแบบขี้เกียจก็คือไม่เต็มใจละมาดทําไมละมาดนะก็เขามันฟรดูก็ต้องละมาดเดี๋ยวเขาว่าเอาเดี๋ยวเขาดูเอาเดี๋ยวเขาเดี๋ยวเขาไม่ฝังไอ้กูโบสารพัฒยางสารพัดเยไม่เต็มใจไม่ได้ละมาดเพื่ออัลลอฮ์เนี่ยไม่เต็มใจมึงเงิน แล้วบริจาคอะหุ้มกรรือุ่นฝืนใจก็คือไม่เต็มใจนั่นแหละสรุปแล้วความไม่เต็มใจเนี่ยมันมันเป็นกระบวนการ่ะเริ่มตั้งแต่หัวใจของเขาเนี่ยอันเป็นพื้นที่ของอ ي มา ن นั่นนะไม่เต็มใจจะ إ ي م านไม่เต็มใจจะศรัทธาอวัยวะที่ต้องปฏิบัติ อวยวัตตัวเองก็ต้องปฏิบัติละหมาดนี้ละหมาดนี่ไม่ต้องลงทุนอะไรเลยใช่เอวยวยัตเองลงทุนก็คือขึ้นไหวด้วยเอาไวยวยัตเองเดียวแค่นี้ก็ไม่เต็มใจสิ่งที่เราครอบครองคืออะไรเจตนาครอบครองนะไม่มอบให้อัลลอฮ์อวยวัตเราก็ครอบครองก็มไม่เต็มใจที่จะสักการะต่ออัลลอฮ์ครอบครองอะไรกันทรัพย์สิสนก็มไม่เต็มใจที่จะบริจาคเหมือนกัน แล้วมันเหลืออะไรล่ะชีชีวิตหัวใจก็ไม่ด้เต็มใจให้อัลลอฮ์เอาไว้ว่าก็ไม่เต็มใจให้อัลลอฮ์และทรัพย์สินที่มีน <crate> <kein ly advantages> <Pu> ี่นะไม่เต็มใจที่จะบริจาคให้อัลลอฮ์แกริ้วุ่นฝืนใจถ้าบริจาคนี่ก็ฝืนใจนะมีไปสงครามตะบุกอัลจัดดินไกสบอกว่านะมีฉันอย่าให้ฉันไปเลยฉันฉะฉันเห็นสาวพวกโรมันนี่ฉันจะหลงฉั้น หลงสาวฟิตนา่ากว่าฟิตนะาเอาอย่างนี้นะผมช่วยตังค์แล้วงันยังไม่ได้เต็มใจไม่ได้เต็มใจตางค oh ah ์จะสาบะ้าคนหนึ่งถ้าจำชื่อชื่อครูใจมาครูใจนี่เป็นสาบบ้าที่เลืม่มใสแตทุกท่านบีมากเลยเลื่อมใสามากแต่ตอนที่นามีเกณฑ์ทหารเกณฑ์เกณฑ์กองทัพเนี่ยแกไม่มาในงานตัว ไม่มาน บ, บีก็คุ่มใจได้จนี่ทาไมคนนี้ไม่มาน บ, บีไม่อยากจะเชื่อว่าเขาเป็นมุนาบินนะแต่น บ, บีมั่นใจว่าคนนี้จนกระทั่งน บ, บีออกจากมดีนหาแล้วเนี่ยกองทัพเนี่ยเคลื่อนไปแล้วเดินทางไปแล้วออกจากมดีน่านี่เกือบร้อยกิโลแล้วแล้วก็พักพักนี่ซาบะก็บอกน บ, บีบอกว่าน บ, บีครับมีคนนึงเห็นเงาคนหนึ่งมาจากมาจากไกล ใครก็ไม่รู้นบีบอกว่าคุณช่อบูคอบาเซะมอบูเคซะมาม่ใช่โคเซมะคุณอบบาเคยซะมาจงเป็นอบูเคซะมาคือด้วยความความที่น่้มีมั่นใจว่าเขาเคนดีเนี่ยปรากฏว่าอบูเคซะมแบกทรัพย์สินแบกสมบัอะไรจะเดินทางมาเป็นสิบสิกิโลนี่นะไม่พลาดเป็นอบูไคยซะมาจริงๆ ตามที่ท่านนบีขาดกาดันี่จริงใจในการบริจาคถึงแม้ว่านบีไปแล้วอะนะโอหนี่จริงจริงจะแบกนู่นจะไปเอาเอาไว้ก่อนก็นได้ฮะ <laughs> ไม่จริงใจไงเต็มใจไงทีท่จะบริจาคเต็มใจกับบุบผกระสเดิยทา้งอายทรัพย์สินทั้งทรัพย์สินของเขานี่ย่านบีครั้งหนึ่งตอนอพยพจากมกาการไปมาดีนะ ลูกครอบครัวของเขาเนี่ยยังอยู่ที่มักกะยังไม่ดีจุลน์นะแล้วก็แบกทรัพย์สินไปหมดเลยถึงขนาดที่บิดาของอบูบักเรเนี่ยชื่ออบูโคฮาฟาเนี่ยแกเป็นคนตาบอดก็ไปบนกับหลานๆน่ะลูกอาบูบอกว่าลูดีพ่อนีไปแล้วก็ไม่ได้ทิ้งอะไรไม่ได้ทิ้งทรัพย์สินอะไรอัสมาเนี่ยลูกคนโตลูกสาวคนโตของอาบู พื้นที่ที่เอาวัคกันเลยเก็บจะเก็บสตังนี่นะก็เลยเอาก้อนหินเนี่ยมาวางแล้วก็เอาผ้ามาคุมแล้วก็จูมือปูเขาเนี่ยให้มือมาจากนี่นี่นทรัพสินนี่นี่แค่ไม่ได้เอาอะไรไปยังอยู่นี่เอออะไรงั้นไม่เป็นไรแต่จริงๆเนี่ยวัากันเแบกแบกสตังไปหมดแล้วทาไมเขาล้วนเนี่ยไปมาดีหน้าหน่ต้องใช้จ่ายต้องกําลังก่อตั้งรัฐอิสลามอะต้องต้องใช้จ่ายเยอะแบกทรัพย์สินไปหมดเลย อวบกนคนซื้อที่มสัมสยิดมัสยิดนบีเนีอวบก็นคนลงทุนไงนบีไม่มีรายได้ส่วนตัวของท่านนบีแต่อวบกเป็นพ่อค้าเนี่ยแล้วก็อีกครั้งหนึ่งในสงครามอีกครั้งหนึ่งนบีเชิญชวนให้บริจาคอวบก็ะลยก็แบกกระสอบใหญ่นี่มีสตังมีสัมภาระอะไรของเยอะแยะจนกะที่นบีทึ่งเนอาบอกไม่ได้ไม่ได้ฝากไม่ได้ไ ทิ้อะไรไว้ที่บ้านให้ครอบครัวได้ใช้บ้างเหรอบอว่าฝากเอาหนอเราสู้เลยแรกเกิดก็หมายถึงนตั้งเอามาหมดเลยวาตวนตนนัานน่ะพีนเต็มใจเต็มใจอ้าถ้าอย่างงั้นพวกเรานี่ที่ไม่เคยบริจาคทรัพย์สินของเราทั้งหมดเลยเนี่ยและบางทีนียว่เวลาจะมีจะมี กิจกรรมอะไรที่ควรบริ จ, รจาคในหนดังของเราสุภานณวานาล่ะบางทีนี่เร า, เราก็บริจาคแต่ก็บางส่วนนี่เราก็ไม่อยากจะบริจาคทรัพย์สินงก็ไม่แบบนี้เนี่ยเราถือว่าไม่เต็มใจเหรอถือว่าไม่เต็มใจเหรอคือการที่เราได้บริจาคไปส่วนหนึ่งเนี่ยมันจะหักล้างความไม่เต็มใจอาจไม่สนิทไม่สนิททั้งหมดนะ แตมันก็จะทําให้ความไม่เต็มใจของเราเนี่ยมันก็มันก็ไม่สมบูรณ์แบบหมายถึงว่าก็ถ้าหากว่ามีบางส่วนที่เราหวงแหนเนี่ยไม่อยากจะไม่อยากจะบริจาคในหนทางของเรามันก็คือตรงนี้เนี่ยเราไม่เต็มใจแต่ถ้าเราบริจาคไปส่วนนี้มันจะหักล้างความไม่เต็มใจทั้งหมดเลยเนี่ย แล้วมันจะพ้นบางเอาล้วที่มุนาฟิกินก็ทําอะไรมุนาฟิกินแม้กระทั่งในส่วนเล็กที่เขาบริจาคนั่นน่ะอันนั้นเขาก็ไม่เต็มใจเอาสแสดงว่าถ้าส่วนที่เราบริจาคที่มันเป็นส่วนเนี่ยของทรัพย์ส็นถ้าเราบริจาคส่วนนั้นนั้นน่ะและไม่เต็มใจอ่ะนะอันนี้เนี่ยมีลักษณะยิ่งมุนาฟิกินจึงต้องเข้าใจว่า ส่วนที่เราจะบริจาคันเราเราต้องเต็มใจตรงนั้นนะไอ้บริจาคแบบเช่นว่าไอ้บริจาคอ่ะไป อ, อันนี้มันเห็นชัดๆเลยอันนี้ไม่เต็มใจเนี่ยไม่ดีเราเราต้องบริจาคด้วยความปลืม้มด้วยความภูมิใจว่าเราได้มีโอกาสทาความดีในห่นทางของเราต่างกันอย่างสิ้นเชิงนะ ทำด้วยความเต็มใจถึงแม้ว่าเป็นบางส่วนนะเราไม่ได้ทำทั้งหมดเลยเนี่ยมไม่้บริจาคทรัพย์สินของทั้งหมดซึ่งซึ่งมันเป็นมันไม่ใช่เรื่องง่ายเนี่ยจะมาทำเหมือนอบูบักเราถึงท่านนาบีพวกใครในประชาชาตินี้เนี่ยจะมีเหมือน่าบูบักก็ไม่มีไ ม, ม่มีทางรคนเราเนี่จะขยันแค่ไหนเนี่ยเพราะแม้กระดังโซฮาบะเองอย่าอุมรินุนขตอบท่านนาบีเชิญชวน ไอ้สาวาดเลยบริจาคอมาันบอกว่าข่าวนี้แหละฉันจะทําในสิ่งที่บุปผะไม่เคยทํำก็เลยไปเอาครึ่งหนึ่งของทรัพย์สินมาบริจาคแล้วเขานี่ก็อาสุดยอดแลยไงเพราะว่ากรมานี่เอาทรัพย์สินของเขาทั้งหมดเลยอมมารินนั่งคดด้ามนะจรงอันนี้เขาพูดกับใจแล้วที่หลังนี่เขาเล่าไง เขามาเล่าหลังจากเอาบักเสียชีวิตบอกว่าหลังจากเหตุการณ์นั้นนะ่ะเขาเนี่ยตัดใจเลยจะไม่แข่งขันกับเอาบัไม่แข่งขันในการทำความนี้เป็นภารกิจของคนรุ่นเขาแข่งขันกันในการทําความดีคนนั้นทําความดีแค่ดูตรงฉันต้องทําเยอะกว่านั่นนะ่ะการแข่งขันของเขานี่แบบนี้ ไม่ใช่เไม่ได้แข่งขันในการครอบครองของมีแบรนด์แข่งขันกันในการที่จะสะสมเงินทรัพย์สินแล้วก็อ้วนช้ำไม่ใช่นี่ไม่ใช่เป้าหมายของเขาไอ้คนต้องทำความดีด้วยนุ่งตะลึงมากกว่าไอ้คนต้องขยันเลยต้องขยันมากกว่านี่นี่คือพฤติกรรมเขาเพราะมันเขาตั้งข้อตัดสินจะมอกว่ไม่ไหวแล้วแข่งขันกันว่ามันไม่มีประโยชน์มันไม่ไหวหรอกทำไม่ได้หรอกฉะนั้น ถ้าว่าเราได้มีโอกาสได้ทำความดีเนี่ยเงื่อนไขนะก็ไม่ดีนะ่นในบทเรียนจากพฤติกรรมของมูนาเมกีแม้กระดังบางส่วนนี้ทำให้เต็มใจซะเขาไม่ได้ถูกตอบรับการบริจาคไม่ได้ถูกตอบรับนี่เพราะเขาปฏิเสธศรัทธาต่อเลอราูลอันนี้อันนี้ฮัมดูแลเราก็ถือว่าเออไม่มีไม่มีเรื่องนี้ไม่มี ความเมตตาไม่มีรังดีแต่เรื่องทีส่องนี่น่าน่ากลัวว่าละโดนศลาระอิลล่าวะฮุมกุซาลที่บริจาคเาอัลลอฮฺไม่รับเนี่เพราะเขาละมาดแบบขี้เกียจอันนี้เนี่ยน่ากลัวลุกขึ้นละมาแบบขี้เกียจอันนี้เนี่ยน่ากลัวแน่นอนแบบอย่างที่มันชัดเจนน่ะนะตื่นละมาสบอห์ห์กำัง กำลังสนิทเลยทั้งกนฝันทั้ง ค, งคือลลกกำลังสวยมากไงตอนนอนโก ม, นมันจะไม่มีอะไรเครียดเลยโลกมันจะสวยมากแล้วเราอยากจะสบายตลอดเวลาเนี่ยอนี้พออาจารนนะนี่เราต้องฝึกฝนในเร่นี้ถ้าเรายังได้ยินเสียงอาจารปราธนาไม่อยากมีอาจารเลยจะเลยไม่ต้องตื่นนะ่ะ ไอความคิดแบบนี้เน่แวบขึ้นมาอันานั้นานต ร, รายที่พูดแบบนี้เนี่เพราะอะไรเพราะมีบางคนเนี่ยอาจจะมีอะไรนะจะมีเลยกันละมาสุโบตอนนี้อะไรบัญญัติมีถึงขณาที่มุสลิมโดยไม่รู้ตัวมุสลิมบางคนนีป่ปากถ้าปากพอยอะไรวะละมาตอนนี้ อันนี้นีต้องระวังนะพอเพรากับเราไม่พอใจที่อัลลอฮฺบัญญัติให้มีการละหมาดสุบุอันนี้อันตรายอันนี้อันตรายและอันนี้น่น่าจะเป็นความขี้เกียจความเกลียดข้านของของมนุษย์ของมุนาฟิกีนต่อบุญบัญญตัติของอัลลอฮ์คือเขาไม่ชินกับการที่จะตื่นละมาดสุบุและเขาไม่ยินดีที่จะฝืนความต้องการความสุขสบายของตัวเองแล้วก็ตื่นเมาเข้าเฝ้าองลอสผา แต่ไม่ถึงขั้นนั้นเขาไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไไดไไดขัดข้องในการที่จะแบบว่ามีมีบทบรรยัติให้ตื่นละหมาดสู้พีแต่เขาอยากจะนอนอ่ะมีเกี่ยวกับเรื่องคัดค้านบทบญญรรยัติอะไรนะไม่มีอันนี้เขาม่เขามีปัญหาเลยเขาเต็มที่แต่เขาอยากจะนอนจริงๆอยากจะนอนแั้นวละหมาดเอาไวลา้ละหมาดแล้ว ที่หลังก็ได้ที่หลังยังเหตุที่หลังนีง่คือกระด้อแล้วนะมันมันคือละหมาดใชนะ่น่ะนอกเวลานี่ตะวันขึ้นนี่ก็ไม่ได้แล้วคือละห่าใช้ตั้งใจตั้งใจหมายถึงว่ารู้สึกตัวแล้วล้วสามารถฟังที้ดีนะรู้สึกตัวแล้วแล้วก็สามารถที่จะตื่นสามารถมีมีความสามารถที่จะตื่นละหมาดเนี่ยแต่ตั้งใจไม่ตื่น แล้วก็ตั้งใจที่จะนอนต่อจนเวลามันหมดคุณมรรมนบอกว่าอันนี้บาปนี้เป็นบาปใหญ่ใหญ่แค่ไหนอ่ะเท่ากับเท่ากับโ ก, กดังเลย น, นี่นะนะบาปใหญ่ใหญ่กว่าการทำดีนะใหญ่กว่าการกินดอมเบียใหญ่กว่าขโมย ใหญ่กว่าการอักตันยูต่อพ่อแม่การทิ้งละหมาดวักกระตูเดียวให้พ้นจากเวลาของมันออกนอกเวลาเนี่ยมันบาปใหญ่กว่าทุกบาปใหญ่ทําไมอ่ะเสาระนี้เขาเ อ, อกฉันไม่มีบาปใหญ่อะไรเนี่ยทักจากชีริกต่ออัลลอฮ์นี่เท่ากับการทิ้งละหมาด เขาไม่มีบาปใหญ่ที่อัลลอได้กลาวว่ามันเป็นกุฟฟรที่ตกศาสนานอกจากการละหมามดไมถึงว่าบาป ย, ย, ย่า่อื่นนี่อัลลอฮฺเขาเอกฉันเลยนะกาทรทำจีนา่าการขโมยการกินดอกเบี้ยทั้งหมดที่ทำนี่นะมันเป็นบาปใหญ่ตกศาสนาไม่ไม่ตกศาสนาเลยยกเว้นการละหมาดละหมาดนอกเวลานี่ออกออกเวลานี่นะ อัลลอฮฺบาังท่านได้รายงานจากซาฮับบาังท่านบอกว่าถ้าเพียงวักระตูเดียวถึงแม้ว่าไม่ได้ปฏิเสธการละหมาดแต่ตั้งใจฝืนไม่ละหมาดตรงเวลาตจนเวลามันหมดแล้วอันนั้นจะตกศาสนาในบางทาสนาแค่นี้มันก็ทําให้บาปใหญ่ชนิดนี้เนี่ยมันต้องใหญ่กว่าบาปอื่นแล้วสินี่ขนาดยอมรับในเรื่องละหมาดนะยอมรับในเรื่องละหมาดแต่แค่ขี้เกียติ จนให้เวลามันหมดแล้วไปละหมาดก็ร้อไละหมาดใช้นอกเวลานี่มันแย่ขนาดนี้งขี้เกียจรู้สึกตัวแล้วขี้เกียจแล้วรู้สึกตัวแล้วต้องต้องลุกขึ้นละหมาดแต่มันขี้เกียจเออนะต้องต้องขึ้นปะะอันนี้แสดงว่า ต่อสู้ยิ่งถ้าความเกียรติค้านี่ความขี้เกียจเนี่ยมันยิ่งลดลดลงยิ่งลดลงยิ่งพ้นจากลักษณะของพวกบุญนาภาิเกนีมาขึ้นจนกระทั่งถึงจุดที่ผู้ศรัทธาทุกคนเนี่ยต้องมีก็คือไปสู่การทาไมบาด้าเนี่ยด้วยความด้วยความกระตือร้ น, รนด้วยความปลื้มใจด้วยความ ด้วยความสุขความสนุกอ่ะทำไมทำไมสิ่งที่เราชอบนี่เราจะทำด้วยความขี้เกียจไหมผมยกตัวอย่างเรื่องละวมาสุโบนี่แต่มันจะมีเรื่องอื่นนะนะที่มันอาจจะมีความขี้เกียจถึงแม้ว่าไม่ได้นอนเช่นดูบอลโดยเฉพาะแต่ทีมไอดอลของตัวเองนะั่นแะทีมที่รอคอย ยิ่งกว่าจะไปทำองุ่รอบไปทำฮัดอีกบอลโลกเนี่นยในขนาดกำลังสมงัดกับการดูบอลเนี่ยนะอาจารย์มาคือเขอาเนี่ยเป็นคนรักษาละหมาดเป็นคนที่ละหมาดตรงเวลาแต่พอมาในาช่วงนี้เขาอยากจะดูบอลมานาันก็เลยมีแว็บหนาึ่งไม่น่าจะช่วงนี้ ถ้าปล่อยตัวนะกับบางคนนี่ก็ปล่อยตัวคือไม่อยากจะละหมาดผลตามมาก็คืออะไรก็คือดูบอลจนจนจบอะแล้วละหมาดอะไม่ละหมาดเวลาหมดมีไหมมีบาปนี่ก็เหมือนอนุษย์แหะถึงแม้ว่าไม่ได้นอนนะอ่าเทียบด้วยนะเทียบเหมือนเรื่องนี้นะ ดูละดูหนังดูละครเล่นเกมรอวักบอลลุงกำลังจะดีนะไรเหมือนกันเลยอีกรอบอีกรอบนึ่งอีกรอบนึงไปดูร้านเกมดิไม่ต้องพูดถึงร้านเกมที่ไม่ใช่ของมุสลิมเอาร้านเกมของมุสลิมละมีเยมุสลิมเปิดร้านเกมมี มีเพราเคยมีต๊ะครูที่เบอกว่ า, า เ, เปิดได้เล่นเกมมีมาอาาเฮ้ ย, ยปิดป ด, ป ด, ปดละหมาดเฮ้ยมีไหมไม่ ม, ม, มีใครจะเล่นก็เล่นใครจะใครจะทำอะไรก็ทานะทิ้งละหมาดทิ้งละหมาดพออยากจะนอนทิ้งละหมาดพออยากจะดูบอลทิ้งเละหมาดมันไม่ใช่เรื่องเล็กนะมันเป็นเรื่องใหญ่ เป็นเรื่องใหญ่แต่เนื่องจากว่ามันมันเยอะไงะในสังคมนี้มันเยอะเนี่ยจนไม่รู้จะไปเตือนใครต่อใครนูว่าถ้มันเต็มไปหมดเลยแต่มันกระทบเรื่องสําคัญในเรื่องละหมาดในเรื่องสําคัญรุกุนอิมานรุกุนอิสลามรุกุนปฏิบัตินะยิ่งรู้ว่าอัลลอฮ์ได้ให้เป็นเป็นมาตรฐานวัดคุณภาพอิมานของพวกมูนากีนมันมีแค่ไหน พวกเขาไม่ได้ถูกตอบรับซึ่งการบริจาคของเขาเนี่ยปฏิเสธศรัทธาต่อละระซูลและละหมาดแบบขี้เกียจสุดท้ายเวลาของฟิกูเนีอินละหุมการิหุนไม่เต็มใจในการบริจาคคือในส่วนที่เขาบริจาคไปเนี่ยเขาไม่เต็มใจอัลลอฮฺไม่ได้บังคับนะว่าต้องบริจาคทรัพย์สินทั้งหมดไม่ได้บังคับฉะนั้นถ้าเราไม่ได้บริจาคทั้งหมดเนี่ย พอเราหวงแหนนี่นะเนี่ยอัลลอฮ์ก็ s. <S ไม่เอาโทษนะถึงแม้ว่าอาจจะมีอาจจะมีหลักฐานบ่งบอกว่าเออเราเราชอบทรัพย์สินมากกว่าอัลลอฮ์มันอาจจะเป็นอย่างนั้นก็ได้แต่ s. <S อัลลอฮ์ก็ไม่เอาโทษนะเอาเฉพาะส่วนที่ตัวเองบริจาคนี่แหละขอให้เต็มใจในการบริจาคขอให้ปลื้มใจในการบริจาคแต่มมนาฟิกิน เขาไม่ทําแม้กระทั่งแค่ส่วนเล็กที่เขาบริจาคนะอิลลาวะฮุมกาลิฮูนนอกจากว่าเขาฝืนใจแล้วต้องเปรียบเทียบนะไอบาระทั้งหมดเนี่ยถ้าอเราได้ยกตัวอย่างสามอย่างนี่หนึ่งเกี่ยวกับเรื่องศรัทธาในหัวใจนี่เขาไม่เต็มใจ إ ي م ا นจึงปฏิเสธศรัทธาต่อลอร์ดสุดเขาไม่เต็มใจในเรื่องไอบาระที่สําคัญในละหมานละหมานแบบขี้เกียจก็คือไม่เต็มใจละหมาน และทรัพย์สินที่ Allah ให้มานี่ก็ไม่ได้ไมไดสมัครใจไม่เต็มใจในการที่จะบริจาคให้บารดะอื่นก็นเหมือนกันนะการถือสินอด้อระวังการอนอดอันนี้พูดถึงเรื่องฟา ร, รดูนะฟา ร, รดูอย่างเดียวนะเพราะสุนนะเนี่ยไม่มีไม่มีทางหรอกที่จะทำแบบแบบไม่สมัครใจคนที่ตั้งใจทำสุนนะเนี่ยแสดงว่าแสดงว่าเต็มใจแน่นอน แต่ฟัดดูนี่ที่มันอาจจะมีข้อข้อราหาัข้อข้อราหาัฟัดดูต่างๆที่เราได้ทำแล้วก็ไม่เต็มใจทำเทียบเหมือนเหมือนกันหมดเลยเพราะการที่ไม่ทำศุนนาเนี่ยอัลลอไม่ทำหนิทั้งสิน้นหมายถึงว่าถ้าใครไม่ได้ทาศุนน้านี่นะมันไม่บาปอยู่แล้วถ้าเอาเอาเรื่องฟัดดูเนี่ยอะไรที่มันเป็นฟัดดูนี่ม่ใ่ว่าเ น, นมันละมาดอย่างเนี้ยทุกสิ่งทุกอย่างที่มันเป็นข้อบังคับ ที่จำเป็นต้องทำและทิ้งไม่ได้ทั้งหมดเนี่ยเราเรียกกันฟรูดรออินสิ่งที่เป็นฟรดูที่ต้องปฏิบัติที่ต้องทำเป็นข้อบังคับอันนี้ต้องทำด้วยความเต็มใจจะได้พน้นพ้นจากลักษณะของความเป็นมนุษย์อัลลอฮฺบอกว่าแม่มานาวไม่มีสิ่งใดขัดขวางพวกเขานอกจากนีนอกจากพฤติกรรมนี้แสดงว่า สิ่งที่มันจะขัดขวางการตอบรับบริจาคของเขาเนี่ยมันก็มาจากน้ำมือของเขาเองแม้มันเอาไม่ได้ขัดขวางนอกจากว่าเขานี่ขัดขวางตัวเองจากการที่จะได้รางวัลจากอัลลอฮ์ได้ผลบุญจากอัลลอฮ์นี่เขาขัดขวางตัวเองมันเกิดจากน้ามือของตัวเขาเองอแสดงว่าความเต็มใจความสมัครใจกาทาไม่ใช่เรื่องยาก และไม่ควรที่จะเกิดย้ำคิดย้ำทำย้าทาสำหรับบางคนน่ะนะเอออันนี้อันนี้ผมก็เจอเจอพี่น้องมา<อ>มาปรึกษาบอกว่าเขาเนี่ยไม่มีความสุขเลยเขารู้สึกว่าอิบาดะที่เขาทำทุกอย่างนี่นะเขาไม่ได้ทำเพื่อลล l a h ความอิคลาสนี่ a ล l a h Allah ให้ความบริสุทธิ์ใจเนี่ยเป็นเงื่อนไขในการทําทำ ibadah ในการสวนักต่อล l l a h เนี่ย Allah จึงจะไม่บังคับให้เราได้ทําในสิ่งที่มันยากแสดงว่าความบริสุทธิ์ใจเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องยากการที่จะเตรียมเงียบเพื่อละหมาดเพื่อเล่ยเหนี่ยว um, ไม่ใช่เรื่องยากไม่ใช่เรื่องยากที่ขนาดที่รอนเฮยทำไมไม่ตักบีบซะดี มันยังไม่ยังยไม่ถึงเขายังไม่รู้สึกว่ามันบริสุทธิ์ใจยังไม่ถึงโอโหอับอย่าให้มันหลุดคือความศาสนาไม่ดียากขนาดนั้นกระแสชีว่าพระองท่านนบีสุลต่านละวะละอีอัลสลัมมุตะว่าจะรมายถึว่ากระแสมากมายยืนยันได้เลยว่านบีเนี่ยอิบาดะของท่านนี้ทำแบบง่ายๆเพราะถ้าเกิวลาล้ามาอัลลอฮฺอักบรทำไมเน่คือ คือมีอถาถยาศัยในการทำไอาบาดาไงไอาบาดาเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องทุกจิตไม่ใช่เรื่องยุ่งยากไม่ใช่เรื่องซับซ้อนยุ่งจนละเอียดยโอจะเป็นแบบนี้ในแสดงว่าไอาบาดาเนี่ยมันแย่ถ้าอัลลอฮ์บังคับไปต้องทําแบบนี้ในแสดงว่ายากขนาดไหนความวุ่งนี้เราต้องถอดออกจากจากความเข้าใจจากบริบทที่เราเห็นกันในสังคมนี่ต้องต้องเข้าใจในไอบาดาทุกชนิดเนี่ย อัลลอฮ์ต้องการให้เราได้บริสุทธิ์ใจและจากความบริสุทธิ์ใจเนี่ยเป็นข้อบังคับแสดงว่ามันเป็นเรื่องง่ายเพราะอัลลอฮ์จะไม่บังคับให้เราทำในสิ่งที่ยากสิ่งที่ยากเนี่ยอัลลอฮ์จะไม่บังคับเป็นเป็ น, เ ป, นเป็นกฎง่ายๆเข้าใจง่ายและด้วยเหตุผลที่ศาสนาอิสลามเนี่ยในโครงสร้างของศาสนาอิสลามเนี่ยอัลลอ์ เปิดโอกาสให้ทุกคนเนี่ยสามารถเข้าถึงอัลลอฮ์โดยไม่มีเงื่อนไขยเยอะแยะจะโครงสร้างบทบัญญัตินะเช่นอัลลอฮ์ไม่ให้มีสื่อระหว่างเรากับพระองค์ไม่ต้องมีนักบวชนักศาสนาต้องต้องไปหรอกต้องผ่านเขาต้องผ่านนักบวชนักศาสนาไม่จากตัวเราถึงพระเจ้าเลยจากตัวเราถึงพระเจ้าเนี่ยมีอะไรที่มีพิธีอะไรเนี่ยไม่ไ ม, ม, ม่มีอะไรยาก อาบน้ำละหมาดทำความสะอาดตัวเองแล้วก็เข้าเฝ้าเลยเอาเราจะไม่มีน้ำาหละก็เตียมมุมเห็นไหคือโครงสร้างเราจะเห็นนะอัลลอฮ์ไม่อยากให้มันมีอะไรซับซ้อนยุ่งยากเข้าเลยไม่มีดินจะเตียมมุมแล้วเข้าไปเลยละหมาดเลยทม่มีอะไรซับซ้อนจึงจะเข้าใจว่าเข้าถึงพระเจ้าเนี่เป็นเรื่องที่ง่ายที่สุดใน Islam وإذا سألك عباد น ن ي โอ้โมฮัมหมัดเธอบ่าวของฉันนี่ถามว่าฉันอยู่ไหนอ่ะพระองค์อยู่ไหนอ่ะแต่อินนีระให้ตอบนะอินนีแท้จริงฉันเนี่ยใกล้นิดเดียวใกล้ชิดมากเลยอุจิบูดาว่าแต่ได้อิสระดานฉันจะตอบรับความต้องการของบ้องฉันเมื al, ่อเขาขอนี่ฉันฉันให้เลยอันนี้สรุปสรุปสรุปทุกอย่างในอิสลามเนี่ย ให้มันให้มันเห็นว่าเออระหว่างเรากับพระเจ้าซึ่งซึ่งเรื่องนี้เนี่ยก็คือก็คือสิ่งที่มันจะอธิบายว่าทําไมอัลลอฮ์สุภาหนบ่าวะดาละสร้างทุกสิ่งทุกอย่างทําไมสร้างโลกทําไมสร้างมนุษย์ทําไมเพื่อให้สรรพสิ่งทั้งหลายเนี่อรู้จักพระเจ้าสรรพสิ่งทั้งหลายเนี่มันสักการะสะดุดีต่ออัลลอฮ์นี่โดยธรรมชาติของมันอัลลอฮ์บอก ทุกสิละุก حمد อย่างี้ล้นสรดุดีต่ออัลลอฮ์ ولكن لا تفقهون ت س ب ح สรดุดีไงยกเว้นมนุษย์โดยธรรมชาตินี่ไม่ได้เกิดมานี่มนุษย์ไม่ได้เกิดมาเนี่ยสามารถสรดุดีอัลล์เนี่ยโดยอัตโนมัติมนุษย์นี่ต้องสมัครใจต้องขนวายต้องทำาด้วเอง นี Looks, clone, saying, ่โบจะทําด้วยตัวเองอนะนะแล้วก็ไม่ได้ขัดขวางไม่ได้สร้างเงื่นไขอะไรยุ่งยากนะจะได้ถึงอัลลอฮฺสุลตานอัลกุรออายาห้สห้านี่มันได้อธิบายปัญหาที่เกิดขึ้นแม้กระทั่งสมัยท่านนบีเราทราบะมุนาฟิกีนส่วนมากเนี่ยส่วนมากอะมุนาฟิกไม่มีคนจนนะมุนาฟิกีนส่วนมากเนี่ย คนที่มีฐานะถึงเขาเป็นมุนาฟิกีเนี่ยเป็นพวกสับหลับกับกอกเนี่ยพราะเขาเสียผลประโยชน์เสียผลประโยชน์สังเกตได้เลยทุกยุคทุกสมัยเนี่ยไอ้คนที่มีลักษณะมุนาฟิกีนี่ยคนที่เสียผลประโยชน์เช่นพวกงูงเห่าพวกทีเสียผลประโยชน์ทั้งนั้นนะ่ะใครที่เสียผลประโยชน์เนี่ยพร้อมที่จะแปลงร่าง เป็นอะไรก็ได้แต่ขอให้ฉันอย่าเสียผลประโยชน์แปลงร่างเป็นอะไรก็ได้มุนากิกินก็นเป็นประเภทนี้แหละขออย่าให้อย่าให้ฉันเสียผลประโยชน์ของฉันถ้าฉันอยู่ในสังคมมุสลิมแบบนี้โอ้ก่อนที่มุฮัมมัดจะมานี่ฉันน่าหมูฉัน เป็นักธุรกิจเป็นคนพ่อค้าที่คนเขาเขานิยมฉันเขาเขาเคารพฉันแต่ถ้าหากว่าฉันไม่ยอมรับอิสลามที่เป็นกระแสเดี๋ยวนี้มันเป็นแฟชั่นแล้วอิสลามเนี่เป็นแฟชั่นแล้วถ้าฉันไม่รับอิสลามนี่ดูธุรกิจของฉันนี่จะเสียโอกาสหรือเปล่าดูจะมีมุสลิมบางส่วนไม่ยอมมาอุดหนุนฉันหรือเปล่า เดี๋ยวเดี๋ยวเอาอย่างนี้ดีกว่าดฉันประกาศด้วยฉันรับอิสลามทาไมอ่ะจะได้ไม่เสียผลประโยชน์ผู้นามุนาฟิกีเนี่ยก่อนที่นบีจะมาอย่างอับดุลลอฮ์อับนุลเบยบนะสลูลก่อนที่นบีจะมานี่ยนะชาวยสริบเนี่ยชาวมดีน่าเน่ก่อนที่นบีเขาเคยประชุมกันแล้วเนี่ยแต่แต่งตั้งอับดุลลอฮ์อบนุลเบยสลูเนี่ยเป็น เป็นคนใดกันไอะเป็นเป็นเจ้าเมืองเรียบร้อยแล้วมันขาดแค่พิธีพิธีกรรมที่จะแต่งตั้งอับดุลลอห์เป็นเป็นเจ้าเมืองอนบบี ม, มุฮัมมัดมา ล, ล้มเหลวล้มเหลวอับดุล ล, ลอห์อุนุเบบีเซลูลเนี่ยมีเสียงไงเขายังมีเสียงมีเอซี และเอฟซีของเขาส่วนมากนะก็ไปไปตามน บ, บีแต่เขาก็ยังยังเทิดเกียรติยังถือว่าเ อ, อัอบดลมีบุญคุณเมียถ้าอับดุลลอยไปหนูไปมิซรุเนีย่ยไม่ได้รับอิสลามแน่นอนสิ่งทีเขาจะเสียนี่ก็คือเอซแฟนคลับของเขาของค์ารักของเขา แต่ถ้าเขารับอิสลามเนี่ยเขาอาจจะได้ยังยังมีโอกาสที่จะเออนบีอาจจะแต่งตั้งเขาเนี่ยในฐานะเขายังมีเงินมีบารมีก็อาจจะอาจจะได้แต่งตัง้งมี ม, มีมีเกียรติหน่อยเขาก็เลยสแสดงความเป็นมุสลิมแต่ที่จริงเนี่ยเขาไม่ได้รับอิสลามฉะนั้นพวกเขาส่วนมากเนี่เป็นคนที่มีฐานะและนี่คือสาเหตุที่ทําให้สังคมมุสลิมเนี่ย อย่างรู้สึกว่าเออเขาเขาก็เป็นคนดีนะทําไมอ่ะเขาก็ทําบุญเขาก็ยังมีเงินยังช่วยเหลือนบีเขาก็ยังมาละหมาดก็เห็นเขามาละหมานดนั่นีองอ่ะม่ละหมาดึงที่งทีเราบอกว่าละหมาดแบบขี้เกียจเขาก็ไม่ละหมานี่ไงแล้วคนที่อิมานเขาอ่อนแอนี่บางทีเนี่ยเขาก็จะมองถึงเรื่องที่ เหนือกว่าเรื่องทรัพย์สินเรื่องไอ้เหนือกว่าเรื่องทำความดีนี่ก็คือเรื่องทรัพย์สินส่วนตัวแล้วก็อโอ้ดิดู ด, ดิพวกนี้เนี่ยที่โดนข้อหาโมนาฟิกีน่ะนะนะก็มีตัวคนที่มีฐานะโดยเฉาแต่งตัวทเท่ๆทั้งนั้นนะดูสิลูกหลานคร อ, อบครัวเขามีบารมีมีอะไรคนที่อ่อนแอเนี่ยก็จะมองเรื่องนี้เนี่ย เออนี่เป็นเรื่องจริงนะในสังคในสังคมหรือในในในสังคมมุสลิมโดยรวมมันนะเขาจะมองว่าคนที่อัลลอ์ให้เขามีสตังนี่แสดงว่าอัลลอ์ปรูดปราฮนเขาอัลลอ์รักเขาไม่งั้นอัลลอ์ไม่ให้เขาหรอกมีบางคนเนี่ยลึกๆเนี่ยเาโอถ้าเขาไม่มีบุญวาสนานี่ไม่มีทางหรอก ล l l a จะช่วยไปที่ไหนค้าขายที่ไหนนี่ก็ได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยเลยมีแสดงว่า Allah Allah รักเขาเขาเขาเป็นที่รักของ Allah a l ได้ตัดบทเรื่องนี้เลยบอกกับท่านนบีละ صحابان ิ فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم อันน <س> ั้ <ؤ> นไม่ يريد الله ل <س> ه <ؤ> م ل ح ي ا ة الدنيا وترزق أ ن ف ا ف ر ي ن أيق نانيني هذا بسيني บอกว่าอย่าโดนหลอกในเรื่องความศรัทธาของเขาการละหมาดของเขาการบริจาคของเขาเพราะความศรัทธาของเขาเนี่ยไม่มีความเต็มใจเขาถ้าเกิดปฏิเสธศรัทธาอย่าโดนหลอกด้วยการละหมาดเพราะการละหมาดของเขาเนี่ยขี้เกียจอย่าโดนหลอกด้วยการบริจาคของเขาเาบริจาคโดยฝืนใจ แล้วจะดนหลอกได้แหละเรื่องสภาภายนอกเขามีฐานะเขามีทรัพย์สินเขามีเงินมีทองแต่งตัวแบบหรูหราแบบเท่ๆแเราบอกว่าดังนั้นจงอย่าให้ทรัพย์สมบัติของพวกเขาและอย่าให้ลูกๆของพวกเขาบารมีนการมีลูกหลานมีมีพักพวกองค์กรของเขาเป็นที่พึงพึงใจแก่เจ้าอย่าให้สภาพ ความความสมบูรณ์ของเขาเนี่ยในเรื่องวัตถุเนี่ยทำให้เจ้าเนี่ยพึงใจต่อเขาแท้จริงอินเนมายุริุลลอฮแท้จริงอัลลอฮทรงต้องการที่จะลงโทษพวกเขาด้วยสิ่งเหล่านั้นอุลามาได้อธิบายสองสองนัยยะนึงจะลงโทษ ด, ด้วยสิ่งเหล่านั้นนะะ่ก็คือโดยทรัพย์สินด้วยลูกนี่หมาที่งว่า เขาจะมีทรัพย์สินไว้ทำสิ่งที่อัลลอฮ์ไม่พอพะไทยเขาจะมีลูกหลานอำนาจบา ร, รมีไว้ใช้ในสิ่งที่อัลลอฮ์ไม่พอพะไทยก็เท่ากับเขามีทรัพย์สินนี้ยิ่งไว้ทำบาปมากขึ้นก็จะได้รับการลงโทษมากขึ้นอันนี้แง่หนึ่งในการอธิบายอธิบายที่สองเขาอาจจะมีความดี เขาอาจจะมีความดีเล็กน้อยอัลลอฮฺจึยงให้เขามีทรัพย์สินยังให้เขามีลูกหลานจะได้ตอบแทนความดีของเขาที่นี่จะได้จบตรงนี้เนี่ยและความชั่วอื่นๆของเขาเนี่ยอัลลอจะได้ลงโทษเต็มที่ในวันเกียร์มาที่จะลงโทษพวกเขาด้วยสิ่งเหล่านั้นในชีวิตแห่งโลกนี้ลงโทษ สงในชีวิตแห่งโลกนี้หมายถึงว่าให้เขาใช้ทรัพย์สินให้เขาใช้อํานาจบา ร, รมีของเขาในบาปในหนตางที่ม่ใช่นตางของพระสุภ า, าราชานะหรือใช้มันเนี่ยใช้สิ่งเหล่าเนี้ยเพื่อใช้ความดีที่อัลลอฮ์ให้เขาไปแล้วหมายถึงมว่าเขาทําความดีทําบุญอัลลอฮ์ก็ตอบแทนแล้วนะวันเกียรมาจะไม่ถูกตอบแทนแล้ววันเกียร์ม่นคือถูกลงโทษอย่างเดียว และที่จะให้ชีวิตของพวกเขาออกจากกร่างไปวต่ตะซคแอมฟุซูมชีวิตของพวกเขานี่ออกจากกร่างไปว่าหุ้มกาฟิรุขนขณะที่พวกเขาเป็นผู้ปฏิเสธศรัทธาเท่านั้นเขาเริ่มต้นในการที่จะปฏิเสธศรัทธาอัลลอฮฺจึงไม่พึงประสงค์ที่จะให้เขาเนี่ยสิ้นชีวิตด้วยความศรัทธาอันนี้มาเรื่องเกี่ยวกับกฎสภาวะ เราจะได้เข้าใจาสิ่งที่อัลลอฮ์ได้กําหนดสําหรับเขานี่นะอัลลอฮ์จะได้ให้เขาชีวิตออกจากร่างของเขาเนี่ยในฐานะที่เป็นผู้บริสุทธิ์หมายถึงว่าอัลลอฮ์ต้องการให้เขาตายเป็นกาเฟตเหรอไม่ใช่อัลลอฮ์ลงโทษเขานี่เนื่องจากว่าเขาเนี่ยเริ่มต้นการตอบรับการเรียกร้องเชิญชวนในศรัทธาต่ออัลลอฮ์นี่นะเขาตอบรับด้วยการปฏิเสธ พอเขาปฏิเสธแล้วเนี่ยเอถ้าปฏเิเสธนั่นก็ไม่ต้องไม่ต้องมาเลยอือเราเพลินด้วยกันเฮ้ย hey, มาทำนี่นี่ด้กันไอ e ้มาดีมาดีเอเอไม่ต้องมาละไม่ต้องมาแล้วลถ้าเขาขอมาอกีกเอาไม่เอาลวาไม่เอาละประมาณนี้เลาโกรธเกลีก้ยวเขาอีมานสิไม่อีมานอันนี้คือบาปที่เขาทำ สิ่งที่อลลอฮลงโทษหลงเขาเนี่เอาทําไม่ไม่ศรัทธานะแล้วก็ไม่ใชว่าศรัทธาครั้งเดียวเพราะลังเล ย, ยังไม่เข้าใจอิสลามยังมีอะไรที่มันสงสัยอยู่สิ่งเหล่านี้ถ้ามันเกิดขึ้นกับมนุษย์เนี่ยอัลลอฮ์จะไม่ปิดอัลลอฮ์จะไม่ปิดประตูแห่งความเมตตาเลยแต่ที่อัลลอฮ์จะปิดประตูแห่งความเมตตานี่ถ้ารู้แล้วว่านี่คือนี่คือสัจธรรมนะและยังดื้อดึงนี่ไปนี่อัลลอฮ์ได้บอกฟั่ลมาซา a z อ ghallahu kulubahu พอเขาตั้งใจที่จะบิดเบือนตั้งใจที่จะปฏิเสธศรัทธานะอัลลอฮ์ก็เลยให้หัวใจของเขาเนี่ยขุยไปเลยไม่เอาแล้ไม่ต้องมาอีกแล้วเป็นเป็นการลงโทษแล้วเรื่องนี้เนี่ยถ้ามันเป็นเรื่องเกี่ยวกับความศรัทธานะมันก็อาจจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับเกี่ยวกับเรื่องความชั่วด้วยหมายถึงว่าถ้าเรื่องศรัทธาเนี่ยอัลลอฮ์เชิญชวน ถ้ายังไม่เข้าใจศาสนาเราก็ยังประวิงเวลาให้ยังไม่ได้ศึกษาเต็มที่อาศึกษาเต็มที่โอกาสที่เอาลราได้เปิดไว้เนี่ยถึงสิ้นชีวิตเนี่ยถ้ามาถ้ามาศรัทธาก่อนที่จะตายนะเาลเรายังตอบรับเลยเพะมีเหตุผลแต่ถ้าหากว่าปฏิเสธปฏิเสธโดยรู้แก่ใจว่า ว่ามันถูกต้องมันสัจธรรมจริงแต่ไม่เอาตั้งใจไม่เอาจริงอะนะนั่นอัลลอ์จะให้หัวใจเนี่ยไม่สนใจที่จะศรัทธาอันนี้คือเรื่องศรัทธานะเรื่องการเข้าอิสลามตั้งแต่ต้นนีรพอมาเป็นมุสลิมแล้วนี่นะมันก็จะมีบทบัญญัติมีคำสั่งสอนอะไรต่างๆสิ่งที่อัลลอฮ์ใช้และสิ่งที่อัลลอฮ์ห้ามถ้าเราพยายามปฏิบัติในสิ่งที่อัลลอ์ใช้ และพยายามเลิกในสิ่งที่อัลลอ์ห้ามและพยาพยามพยายามยังไงถ้าหากว่าสิ่งที่อัลลอฮ์ใช้เนี่ยเราพยายามทำให้ครบถ้วนสมบูรณ์ถ้าพลาดไปเนี่ยเราก็เตาบัดแล้วมาใชา้นี่คือเป็นการแสดงว่าเราเราไม่ตั้งใจฝ่าฝืนอัลลอฮ์บาปที่อัลลอ์ที่อัลลอ์ห้ามไว้เนี่ยเราก็หลีกเลี่ยง แต่ถ้าเราพลาดไปทําเนี่ยเราก็พยายามเติบบัดตั ว, ตตวแล้วก็พยายามที่จะแก้ไขสิ่งที่เราอันนี้แสดงว่าเราไม่ได้ตั้งใจฝ่าฝืนแต่ในขณะเดียวกันสิ่งเดียวเราใช้สิ่งเดียวเราห้าม AH AH ถ้าเราตั้งใจฝ่าฝืนละ่ะละหมาดไม่ละหมาดปฏิเสธละหมาดนะเปลาไม่ปฏิเสธขี้เกียจละหมาดไม่อยากละหมาดยุ่งเวลายเยอะไม่ละ ต้องทำนูน่นทำนี้ออกซัการดดปฏิเสธออกซักการ์่าวไม่ปฏิเสธมีนี่เยอะมีนี่สินเยอะไม่ไม่มีจะออกซัการและเป็นแบบนี้เป็นแบบนี้โดยไม่มีเหตุผลและไม่มีสิ่งที่จะสามารถตอบกับอลอสสุภาได้หมายถึงว่าถ้าสมมติว่าตายแล้วตอนนั้นอยาจะตอบก็บอลอสไม่มีคําตอบแบบนี้มันก็มีความเสี่ยงเหมือนเรื่อง คามศรัทธานี่แหละที่ปฏิเสธว่าอัลลอฮฺสุภาห น, นันวดารลาะใจเขาขุยก็หมายถึงว่าไม่ละหมาดไม่ละหมาดการที่เขาวันหนึ่งจะกลับมาละหมาดนี่มันอาจจะยากและไอ้ที่เขาไม่ไม่ละหมาดนี่นะบั้นปลายเขาไม่ละหมาดเนี่ยนี่คือการลงโทษมั่งล่การลงโทษพระเจ้านี่มีสิทธิ์นะที่จะลงโทษลงโทษไม่ให้เราเนี่ยเข้าเฝ้าพราะองค์ หรือทําในสิ่งที่พระองค์พอพระทัยถ้าหากว่าเราได้แสดงแสดงความโ oh, อหังยั๊โสต่อพรอนี่พราะนี้เป็นเป็นบาปที่ยิ่งใหญ่มากและนี่คือเหตุผลที่อัลลอฮ์ขับไล่อิบลิสอิบลิสเนี่ยเป็ น, เ ป, นเป็นพวกยินที่อิบาดาต่อ Allah อัลลอฮ์อย่างอยง่างเข่งขัดมากเลยนะเขาอิบลิสเป็นพวกยินและขยันในอิบาดาเนี่มากกว่ามาเลยก็ จนกระทั่งอัลลอฮ์นี่ยกสถานะของเขานี่ให้มาอยู่กับมาเลายกะภาพเนี่ยมันขนาดไหนนะเพราะมาเลากานี่ไปบาได้อย่างเดียวอิบลิสเนี่ยไม่ใช่มาเลากาอิบลิสเนี่เป็นยินยินนี่ทำด้วยความสมัครใจเหมือนมนุษย์ฉะนั้นขยันจะไม่มาไดาน้นี่จนถึงมาเลา ย, าย์กายกสถานะเป็นมาเลากาเหมือนมาเลากะเพราอัลลอฮ์บัญชาให้สุญูตอนบีอาดัมนี่ อิบลิสเี่ตอนนั้นนักยู่อยู่งกำลังอะไรกัเพราะฉะนั้นนีุณอานเอาว่าทั้งหมดนั่นแหละมลอะไกตที่เราได้บอกกับมลอะไกต์สุดดูดูลยสุดอัอมอิลาอิบลิสยกคอิบลิสอ้าอิบลิสเป็นมลอะไกต์ปะไม่ไม่ไม่ได้เป็นมลอะไกต์เป็นยินนี่แหละแต่ถูกยกสถานะให้ไปอยู่กับมลอะไก์แต่แค่สุดดูดให้นบีอาดมคือเคารพนบีอาดมไม่เอาฉันถูกสร้างมาจากไฟ อันนี้ถูกสร้างมันจะดินขนาดนี่ดินดินที่ต่ําต้อยนี่ไฟนี่จะกลาบให้อันนี้อันนี้คือสมองเวลาสมองนี่เอามาใช้เอามาใช้กับบัญชาขององค์สุภานาชาระเจงบโกทุกทีเลยว่าอิบลิสนี่ใช้สมองอุศจุดูเพราะว่าพระเจ้านี่ใช้อะไรกันก็อย่าเอายาเก่สมองนี่เก่งมาก ถ้าคำคำสั่งนี่มันชัดนะเอาสมองนี่เกบไว้ก่นอนเพราะถ้าเราจะใช้สมองโอไม่จบนะจงถือสิ้นอดเรื่องอะไรทรมานตัวเองเปลดน้ำหนักลดน้ำหนักมันจะดี่มคุ้มกว่าไหมทรมานตัวเองจงละหมาดตเราเรียกแตลมดเลนโอ้โห อ, อะไรปวดหัวขเขเาท่ อ, อะไรมันต้องทรมานขนาดนะั้น คือมันไม่จบไงสมองของเราเนี่ยจะชวนคิดชวนวิเคราะห์ทุกเรื่องเลที่ไม่ยอมคุมหิจาบกันเนี่ยเรื่องอะไรความสวยงามอัลลอฮ์สร้างไว้ทําไมอัลลอฮ์สร้างความสวยงามของสตรีไว้ทําไมถ้าอาลัลลอฮ์ต้องการให้ปิดให้ปิดหิจามไปนะก็ไม่ต้องสร้างผู้หญิยยงให้มันสวยสิสมองที่สมอ ง, มองเนีจ๊งบ่อเลยทีเลยแต่เอาคําบรรจาคมัเราสมองของมนุษย์นี่ม า, มา มาสู้กันมาหักล้างกันนะแต่นี้มันเห็นอัลลอฮ์ลงโทษอิบลิสอิบลิสนี่ก็ฝืนอัลลอฮ์นี่ที่ไม่ยอมสู่จุดใดนะวิาณมันมาแล้วจบเลยอัลลอฮ์ไม่รับลยการกลับเนื้อกลับตัวของอิบลิสนี่นะอัลลอฮ์ไม่รับเลยนรกอย่างเดียวอิบลิสก็เลยขอขออัลลอฮ์อย่างนั้นขออยู่เย็นเกียร์มัด ขอฉันได้ทำภารกิจที่ฉันต้องการแก้แค้นไอ้ลูกหลานอดัมด้วยเราืนี้แล้วมีบาุเราก็จะต้องสู้กับภาระของคนไม่ใช่คนนี่กับกับอิบลิสที่ต้องการสนองกิเลสของตัวเองนี่ทั้งหมดในที่เราที่เราแย่กันทุกวันนี้เนี่ยกเพราะอะไรก็เพากกิเลสของอิบลิสเนี่ย ที่แย่นี่ไม่ใช่นี่มึงเขาคนเข้าใจที่แย่นี่ไม่ใช่เพราะนบีอาดัมนี่ไปกินจากต้นไม้เนี่ยไม่ใช่ก็ที่นบีอาดัมมากินจากต้นไม้นี่ก็เพราะอะไรอ่ะก็เพราะอิบลิสเนี่ยยุแย่ท่านนบีอาดัมนี่ฝ่าฝืนไงฉะนั้นที่เราแย่กันทุกวันนี้นี่แย่นี่ไม่ได้เราถูกไล่ออกจากสวรรค์ใช่ไหมแนบีอาดัมถูกแล้วกเราก็ต้องมาอยู่ในโลกด้วยมาแย่แย่กันทุกวันนี้นี่ก็เพราะอะไรก็เพราะอิบลิสนี่แหละแล้วก็อิบลิสนี่มันแย่เพราะอะไรเนี่ยเพราะมันกิเลส ถ้ะกบดไม่ยอมสอามิภักดิอันนี่เรื่องนี้ก็เป็นบทเรียนที่เราต้องเอามาเอามาเอามาปรับปรุงความเข้าใจของคนเราส่วนมากนี่วะส่วนดีก็คือดีส่วนชั่วก็คือชั่วต้องระวังนะต้องดูอ่ะไอ้ดีไอด้ไอดีเนี่ยทำด้วยความสมัครใจหรือเปล่าเพราะถ้ามันไม่ไม่ได้ทำด้วยความสมัครใจมัมนก็ไม่ได้ดีแล้วไง แต่คนเราเนี่ยมักจะไม่มองถึงแก่นแท้ของความดีมองถึงภายนอกคือทําดีก็คือทําไปทําไปแล้วทำไปแล้วก็ทําไปแล้ ว, ว, ไ, ลวได้ใบเสร็จไปแล้วไม่ใช่ทําความดีก่อนเนี่ยมันเต็มที่ต้องมีความบริสุทธิ์และความชั่วก็เหมือนกันคือไม่กว่าทําความชั่วก็คือความชั่วเนี่ยไม่ใช่แต่ความชั่วนี่ทําด้วยความดืด้อดึง ทำด้วยความตะกับบดด้วยความท้าทายต่ออัลลอ์นี่อันนี้มันอาจจะมีผลในบ้านปลายก็หมยายถึงว่าทําความชั่วแล้วอัลล์จะปิดโอกาสไม่ให้เลิกความชั่วอีกแล้วด้วยนี่ได้มาจากเรื่องอิบลิสความชั่วเรื่องเดียวเรื่องเดียวทั้งนั้งดีประวัติของเขานี่นะซีวีของเขานี่ก็ถือ ว, าวา่าใช้ได้วุฒิของเขาเนี่ย ขึ er we ้นเป็นมาลาการเลแต่สุดท้ายที่ไม่เหลือเลยเลวัตสักฟุสหุมกาฟรชีวิตของเขาจะออกจากร่างไปขณะที่พวกเขาเป็นผู้ปฏิสิทธา์ชีวิตออกจากร่างนี่สอดคล้องกับพาดีของท่านบีสลวะอสลีวะละะละวะละวะละะละวะลวะละลลวะววะ ถ้าเราจะกลับเนี่ยกับตัวเนี่ยเราก็เองจะตอบรับแล้วเราจะทํำยังไงถ้าอเลาไม่ประสงค์ไม่ประสงค์ที่จะให้เราศรัทธาแลละประสงค์ที่จะให้เราเนี่ยเสียชีวิตในในสภาพที่เป็นกาเฟตการลงโทษที่อัลลอฮฺสุบฮานาห์อัลดาจะลงโทษให้เราได้เสียชีวิตในสภาพที่เป็นกาเฟติน่นะ มันจะไม่ขัดกับอิสระของเราในการที่จะกลับเนื้อกับตัวหมายถึงว่าที่อัลลอฮ์ลงโทษนี่นะจะต้องมีเหตุผลของการลงโทษมีอยู่ถึงบั้นปลายชีวิต ไมาถึงว่าพวกมุนาฟิกีเนะี่ยที่อัลลอจะให้ชีวิตออกจากกระดังขณะที่เป็นกาเวตเนี่คือเขายังมีความไม่เต็มใจในการทำความดีกับอลเราสุบานถ้ามันมีแบบนี้เนี่ยอัลลอก็จะก็จะปิดปิดอ่ะแล้ววิธีแก้ล่ะแก้ปัญหาเนี่ยไอ้ปมเนี่ยก็คือต้องต้องปิดสวิตไ้ปิดสวิตนี่มันใช้บ่อยมึงก็เลยไม่รู้จะใช้ต้องปิดสวิต่ย สวิตนี่คืออะไรคือความไม่เต็มใจมีรายงานบันทึกดยอัหมัดตอนที่นบีมูซานี่จากอีบนะและฟาโรเนี่ยฟิราอูเนี่ยตามไล่ ล, าลา่าตามใช่ปะและนบีมูซาก็ตีทะเล ด, ด้วยไม้เท้าทะเลก็แยกนบีมูซาแล้วก็บวานุสเรนี่ข้ามดูนะดูนะ ف a c a n คุลล์ฟิร์กินตต عظ ิมทะเลนี้แยกเป็นสองสองซีนะและแต่ละส่วนนี่คัตตัตตตตัดีแต่ละส่วนนี่ทะเลนี่เหมือนภูเขาลูกใหญ่อะมหาสัจธรรมแบบนี้เนี่ยที่เราเนีเห็นเนี่ยน่าจะน่ายุติเสียทีไม่ยุตินะยังไรตามมูซาอีกลวกวง ในในท้องทะเลที่มันแยกตัวมันเป็นดินแห้งแล้วนะก็ยังวิ่งแล้วก็เห็นทะเลสุดท้ายเนี่ยก็ต้องจมใช่ปะพอบาอิสระอินเนี่ยรอดไปแล้วนะแล้วก็สั่งให้นทะเลกลับเหมือนเดิมฟิราวเนี่ยก็เลยจมขณะที่จมเนี่ยนึกภาพมั้ยมีรายงานที่มันได้อามาเนี่ยดิบรีนี่บอกกับท่านนบีมุฮัมมัดสัลลัลลอฮละอีฮีเลวรัยตันอมุฮัมมัด แต่ท่านเห็นฉันเนี่ยตอนที่ฟิราลเนี่ยกำลังจมมันอ่ะฉันเอาดินนี่ไปอุดปากมันน่ะไปอุดปาก่เราเนี่ยทำไมอ่ะกลัวมันจะกล่าวกะลิโม้กกลัวดูมันจะกล่าวกะลิโมอแล้วอัลลอจะให้อภัยโทษมันแต่เวลามาได้บอกว่า มันสมเหตุสมผลเพราะอะไรอ่ะเพราะฟิลาวเนี่ยถึงวินาทีสุดท้ายเนี่ยเห็นโมดิาสาต์มาสจัยนยิ่งใหญ่แบบนี้เนี่ยแล้วก็ยังจะมาท้าทายเอลเลาอยังเล่ล่ามูไซดเดี๋ยวนี้นะถ้ามีคนใหญ่โตในสังคมแล้วก็ ม, มีมีพวกฤาษีหรือพวกพระหรือพวกพวกอาจารย์ที่เขาของขังหน่อยนะโอ้ป่านนี้เนี่ยเาหน้าประตูเนี่ย ยืนกันเป็นแถวเลยถ้ามีนักเสศสัดคนหนึ่งหรือหมอดูคนหนึ่งที่เดาถูกเดาแม่นทุกปีนั่นแหะใครจะเป็นนายกใครจะเป็ น, นรัฐมนตรีเนี่ยเดาแม่นคอยสองครั้งยีง่ครั้งโอ้โหยืนกันเป็นแถวเลยนี่ขนาดนี้อันนี้เป็นเรื่องจริงนะเวลาไม่ต้องขนาดมวชดีศักดิ์อะไรยิ่งใหญ่เนี่ยเขาก็ยอมรับกันแล้วเขาก็ เขาก็เถิดเกียดกันขนาดไหนแลวแต่นี่พิกเราวนี่เห็นมูซานี่ตีทะเลนี่ยทะเลยเงี้ยแล้วยังไม่เข็ดอ่ะยังจะตามท่านนบีมูซาไล่ล่าบรอิสราอิลสมควรที่จะตายในสภาพที่ท้าทายอัลลอฮ์อิบลิสบอกเอ่อท่านอิบรีลบอกว่าถึงขนาดนี้นะเอาดินไปอุดปาก เอาดินไปอุดปากไม่อยากให้มันกล่าวกระลิโมเพราะในสภาพนี้เนี่ยไม่น่าจะกล่าวกระลิโมด้วยความสมัครด้วยความสมัครใจในคุรานี้อ اب, ัลลอฮก็บอกฟมมะอดรกะุารพสภาพความล่มจมนี่มันได้ถึงฟิรอาวแล้วเนี่ยก็ละ จะเอาเนี่ยาบอกว่าอามันตอันนันวาไม่ได้เอ๋ออั่นเลยอื่นเลยอืนเอื่นเอนลอ่นเดยอื่นเลนจะไม่นัลยอนอกจากอนเลยอื่นเ่นเอืนลยอื่นเอนเอื่นเอนลอนเลยอื่นเลาอื่นลอื่าลอนเลอื่นอ่าลอนเล่นเอนเลย่นนเลย่่าเนเ่ลเลยอื่นเลยอลนเลยอืเลนเลยอล่อลเล่อเเยเนเ่ล่ การศรัทธาของเขาเนี่ยมันยังมีตะกบดมันยังมีความยะโสอยู่ในตัวอยู่ในสำนวนขี้เกียจที่จะกล่าวฉันไม่มีพระเจ้าอื่นใด น, นอกจากอัลลอฮ์พูดยังไงฉันไม่มีพระเจ้านอกจากพระเจ้าที่พวกมโนอิสรามมันศรัทธากันจะเอ่ยพระนามของอัลลอฮ์เนี่ยให้เต็มที่นี่มันยังไม่เต็มใจเลย แล้จะถือว่าแล้วจะถือว่าศรัทธาได้ไงอุลามาจึบางบอกว่าคนที่กล่าวกะลิโมนี่โดยไม่เต็มใจกล่าวกะลิโมและอิเลฮะอิลลัลลอฮ์นี่ครบถ้วนประโยคสมบูรณ์แต่ไม่เต็มใจไม่เต็มใจไงยังก็มีเจตนาอื่นกล่าวกะลิโมเคยมีเนะี่แต่ก่อนนูนที่ประเทศซาอุดีนี่แต่ก่อนนู้นอนะไร ตอนที่รัฐบาลตัวก่อนนั้นก็ก็ฟังอุลมาและผู้รู้เขตมักกะเขตมาดินาเนี่ยคนนี้ไม่ใช่มุสลิมเนี่ยห้ามเข้าอันี้เขาจะพัฒนาเขตมักกะมาดีนาจะสร้างโรงพยาบาลนานาชาติจะสร้างนู่นทำนู่นปุ๊บทแล้วเขาจ้างบริษัตทต่างชาติฝรั่งเศสคือถ้าเรื่องนี้เนี่ย คนที่ทํางานในบริษัทฝรั่งเศสนี่เป็นญาติผมแล้วกระบอกผมก็ยากจะเชื่อยากที่จะเชื่อบริษัทนี้ก็ต้องต้องมีแบบว่ากรรมกรมีคนที่มาทํางานที่แบบว่ามืออาชีพหม่มีคนจากฝรั่งเศสแม้กระทั่งบางทีต่อขอนุนนแรงงานไทยนี่ครก็ต้องจ้างบางส่วนเขาเขมเขมกาได้ไง เป็นมุสลิมางปไ ม, ม่มุสลิมมุสลิมาไม่ได้ไม่เข้าเขาไม่นี่ต้องอันนี้ต้องไปทางานนี่ไม่ทางานงานไม่จบสิไอ้งี้ยขอใบรับใบรับอิสลามแต่ก่อนโน่ะตายังไทยเนี่ยขาดประทับตาใบารับอิสลามนี่ตัวอย่างไอ้เนี่ย ในใบรับอิสลามนี่ก็เขากล่าวเข้ามาเข้ามาเากล่าวกริมแบบน้เราก็รู้กันนบรับอิสลามเป็นยังไงรือว่ารับอิสลามอะไรชอบผู้ชายคนนี้ชอบผู้หญิงคนนี้แต่ต้องต้องรับอิสลามก่อนเอ้ยรับอิสลามยังไงอ่ะแล้วอีละอ่ะแล้วแลแล้ลคือไม่ไม่เต็มใจในในการที่จะศรัทธาในในคำสั่งสอนอันนี้ก็เหมือนกัน อันนี้ก็เหมือนกันถึงบอกว่ารับอิสลามเพราะเรื่องเรื่องแต่งงานเี่ยมันไม่ไม่ถูกต้องมันจะมีมวลทินเห็นแล้วเนี่ยบ้านปลายเนี่ยมันจะเห็นผลของการที่การที่ศรัทธาพอไม่จริงใจสุดท้ายนี่ก็อยู่ไม่นานแสดง ว, ว่าแม้กระทั่งเริ่มต้นที่จะเป็นมุสลิมมานะการที่จะเป็นผู้ศรัทธาเนี่ยก็จะต้องจริงใจ แสดงว่าเข้าอิสลามด้วยความเตืมใจโอเขาแล้วก็เหมือนเข้าประตูบ้านนี่ก็อยู่ในบ้านแล้วใช่ปหะอยู่ในบ้านนี่ก็ต้องมีสถานะเป็นเจ้าบ้านมีทะเบียนในบ้านแต่ถ้ามาอยู่เข้าบ้านนี่เข้าจากประตูก็เหมือนกันแต่ไม่ได้เป็นเจ้าบ้านไม่มีทะเบียนในบ้านเขาได้อะไรเป็นแขกยังไงก็ได้กว่าแขกทำอะไรในบ้านด้วยความเตรีมใจนี่มันไม่ได้หมายถึงว่า รับ伊ลมแล้วเนี่ยเป็นมุสลิมแล้วใช่ไหมเป็นมุสลิมแต่ศรัทธาก็ยังไม่เต็มที่เป็นมุสลิมแล้วหรือเกิดมาเป็นมุสลิมเป็นมุสลิมเดิมมัสลิมสนดั้งเดิ ม, ดมแต่ไปอ่านหนังสือไปดูหนังไปเจอเพื่อนไปอะไรในขุยทำให้ความเชื่อต่อศาสนาต่อคาสั่งสอนนี่ไม่ไม่ไม่ครบถ้วนสมบูรณ์อันนี้ก็เสี่ยงต่อความเป็นมุสลิมเหมือนกัน ไม่ใช่ว่าเกิดมาเป็นมุสลิมก็จะต้องเป็นมุสลิมย็นย็นตายเล ย, ยนะออกจากศาสนาไม่ได้ออกได้เหมือนกันเรามาเข้าอิสลามนี่ง่ายออกจากอิสลามก็ง่ายเหมือนกันไม่ใช่ว่าออกจากอิสลามยากนะออกจากอิสลามนี่ก็ง่ายเหมือนกันคําเดียวอาจจะทําให้ออกจากอิสลามก็ได้ความเชื่อนิดเดียวอาจจะทําให้ออกจากอิสลามก็ได้เพีงต้องระวัง ก็ขอฝากเพียงแค่นี้นะครับบ่าวลลอฮลลลอฮุอ <adas> ล like ัย u h a อล right. ัยซัลลัมอะลัยุรามตุลลีน้องมีคถามูี่รักษาลหมาเวลาจะเป็นผู้สัธครับแต่ว่าอย่างคาเสียสดูหมอโดยไ้ังเนี่ยครับละหมาดจะถูกกครับดูหมออย่างเดียวเนี่ยมันมีหนะว่า ใครที่ไปใคที่ไปดูหมอแล้วก็ไม่เชื่อดูเล่นนะ่ะจะไม่ถูกตอบรับการละหมาดของเขาสี่สิบวันแต่ถ้าไปดูหมอและเชื่อก็ถือว่าปฏิเสธต่อท่านนบีอัมก็ปฏิเสธตาเป็นกาเฟตแต่นี้ไอ้เชื่อนี่เชื่ออะไรถ้าเชื่อ ที่หมอนี่เข้าพยากรณ์ว่าอะไรจะเกิดขึ้นก็นเชื่อในเรื่องนี้ อ, นนนอันนี้เนี่ยอันนี้ีบาปใหญ่อันนี้ไม่ตกศาสนาแต่ที่ว่าไปเชื่อหมอนี่หมายถึงว่าเชื่อว่าหมอเนี่ยรู้เหตุรู้นี่รู้สิ่งที่อัลลอได้ปกปิดไม่มีใครรู้นอกจากอันนี้ตกศาสนาแต่ส่วนมากคนที่คนที่ไปดูหมอให้หมอดูเนไรยส่วนมากเนี่ยเขาเขาจะทึ่งไอหมอนี่มันแม่นน่มันเก่ง แต่ประเด็นประเด็นที่ที่สมัยโน้นนะสมัยท่านนบีเนี่ยที่ที่เขาที่เา่วงความเชื่อเนี่ยเชื่อในตัวหมอนี่ว่าเขารู้เหบแล้วเาบอกในคุณอ่านในเรื่องของหมอเนี่ยเราบอกหมอดูเนี่ยุณแล้ววาไม่สวราค์หรืออรลไบอิลละอัลลอฮม่มีในโลกฉันังแล้วแบบนี้ไม่มีใครจะรู้เหตนอกจากอัลลอ์แต่ถ้าเราเชื่อว่านี่รู้เหบนะแส่เหมือนอัลลอ์ดิ รู้ในสิ่งที่ไม่มีมนุษย์รู้เลยนอกจากอัลลอฮ์แสดงมันก็เหมือนอัลลอฮ์สิเนี่ยเป็นปาเกละอันเนี้ยตกศาสนาไอ้พวก่าดูให้หน่อยดิฉันจะเป็นนายกไหมพวกเนี้ยไอ้มารืยนี่ฉันจะเป็นนายกไหมไอ้นายกนี่ต้องต้องเริ่มต้องเริ่มด้วยพ่ผ่านไปแม่นว่ะไอ้ที่ไอ้ที่เขาเชื่อกันเนี่ยส่วนมากเนี่ย คือเชื่อในตัวหมอนี่ว่าโอ้นี่มันเดาถูกมันอะไรเงี้ยไม่เกี่ยวกับเรื่องแม้กระทั่งมุสลิมนะวะแล้วเวลามุสลิมไปดูหมอหรืออะไรอยที่มันมีในหนังสือพิมพ์เนี่ยให้พวกไอ้ดูดวงอะไอ้ดูดวงอะส่วนมากอะดูเล่นไอ้ดูดูเล่นเนี่ยมันบาปใหญ่อยู่แล้วบางคนเน่ยชอบดูดวงอะเปิดหนังสือพิมก็ดูดวงเอะดูเล่นดูเล่นไม่เนี่ยไม่มีเล่น ไม่อย่างนั้นนะ่ะกินเล้ากักินเหล้าเล่นนะ่ะซีนากับซีนา่าเล่นนะ่ะมันก็เล่นไปหมดไงมันก็จะไม่มีอะไรปะคือทําบาวก็คือบาปไม่มีอะไรเล่นบาปก็คือบาปแต่มีเนี่ยมีเนี่ยจะวางแผนชีวิตเนี่ยจะรักใครจะแต่งงานกับใครจะหยากับใครจะทําธุรกิจกับใครน asha, ูจะดูดูก่อนดูเขา ด, ด, ด, ด, ดจะซื้อรถนี่นี่นี่เหมือนกันนะ่ะไอ้เรื่อไอ้ที่ดูเรืดูอะไรนี่นี่จะเหมือนกัน อ้าจะซื้อรถวันนี้ได้ไหมกี่โมงดีวันไหนดีออันนี้ก็เหมือนกันอันนี้ก็เหมือนกันถ้าว่าแค่เชื่อในเรื่องในเรื่อง อ, อะไรเขาดูให้ว่ามันจะนําโชคมันจะไม่นําโชคอันนี้แค่นี้เนี่ยก็คือบาปแต่ถ้าเชื่อว่าเชื่อว่าเรืแล้วเวลาเนี่ยมันสามารถเนรมิต ความดีให้เราเนี่ยอันนี้ที่ชีริกข้าแต่ก็โชคเนี่มันก็เป็นพระเจ้ามันมันสร้างความดีให้เรามันนําคุณให้เราโทษให้เราพระเจ้าตั้งข้งอกี้ขอาอืมอันนี้บางทีก็ต้องต้องดูละเอียดนิดนึงเราจะไม่เหมานะไม่ใช่ว่าใครไปหาหมอดูโต๊ะศาสนาทีเดียวรูปมไม่ใช่มันก็ต้องดูหลายอย่างเราอาจจะพูดแบบพูดก ว, าก ว, าว้างๆหมอเรื่องอย่าไปหาหมอดูอย่าไปนี่นะชีริกนะอันนี้พูดกว้างๆ แต่เวลาจะมาชีอ้อะคนนี้ไปหาหมอดูนะตัวศาสนไหมออนดียต้องดูคนต้องดูผมต้องถามเจ้าตัวก่อนต้องละเอียดยครับวเวลาปข้ห้องน้นแล้วก็มันมีน้ำมีแต่กระดชะอย่างเงี้ยปัสสาวะอะเงี้ยอวอนดิสมัยนบีใบไม้อ่ะใช่ใบไม้ใช่หินก้อนหินใช่ได้ซอกเต็มที่เลยนะ เรไม่ต้องไม่ต้องสงสัยไม่ต้องลังเลใจแต่ถ้าเราแบบว่าชินกับน้าวแต่บางทีเนี่ยไปใช้กระดาษทิชชู่นี่มันรู้สึกมันไม่สนิทใจได้รู้สึกไม่สนิทใจได้แต่ถึงขนาดที่อันนี้มีไม่ละหมาดทําไมอ่ะมันทําความสะอาดไม่ได้ทําไมอ่ะมีแต่ทิชชู่ทําได้แต่ถึงขนาดที่ไม่ทําความศาอา์เพราะมีแต่ทิชชู่นะนะอันนั้นนะบาปนะไม่ได้นะไม่จะเป็นไม่จะเหตุผลเลยนะ ไม่เหตุผลเลยแต่ชู้เนี่ถือว่าชำระนาจาซ่าอย่างสมบูรณ์เต็มที่ร้อยเปอร์เซนตหลังเลต า, ายไม่ได้อะไรนะต่อให้มีน้ำเออต่อให้มีก็แล้วก็มีแต่ชู่แต่ฉันสะดวกแต่ชู่ก็ได้ไม่มีปัญหาก็ถือว่าซ้อในนาจาซ่านีคืออซาละตุนนาจาคือขจัดนาจาซ่ถ้าขจัดนาจาซ่านี่ให้มัน ให้มันเรียบร้อยเลยเนาะเออคือคือให้พวกเราสบายผมก็เป็นแบบนี้แหละอต่ผมนี่ยถ้าไม่เช็ดน้ำเนี่ยผมก็ไม่ไม่ค่อยสนิทใจดังนั้นผมก็ไปที่ไหนเนี่ยส่วนมากเรื่องสนามบินนะั่นแหละมันก็จะไม่มีใช่ปะ่เะเขาก็เทชู่เปียกเนี่ยมันก็ช่วยได้เยอะอ่ามีเทชู่เปียกนี่ยมันก็ช่วยได้เวลาไปไหนใต้ไหนเ น, นี่ยมันก็จะได้จะได้สะอาดทต็มที่ ผมก็เหมือนกันน <house Pues. S 1> nope. ี <MC> s <S ่แหละแต่แต่แต่แต่ถ้าจะเป็นความรู้สึกแบบนี้เนี่ยเราก็ต้องเตรียมตัวแต่จะมีบางคนนี่บอกว่าโอ้ไม่ละมาแล้วทำไมยังมีแต่จะชู้โอ้ไม่ได้เนี่ยอะไรบางอย่างที่มันเกี่ยวกับเรื่องเนี้ยก่อนนุ่นน่ะนั่งนั่งเรือแสนแสบเนี่ยมุสลิมที่นั่งเรือแสนแสบไม่มีใครละมาเลยเลอะก็เด็นมาแล้ว มันเห็นไงมันเห็นมันกระเด็นมันอะไรมันแล้วมันน้ามันน้ำในใยนิติไงแล้วก็บอกว่าโอ้ก็เขาบอกว่าเสื้อผ้าในนิติเนี่ยละหมาดไม่ได้เอาแล้วฉันทำยังไงไปที่ทํางานก็ไม่มีไม่มีจะเปลี่ยนเสื้อผ้าที่ไหนอ่ะทำยังไงโดรีอัตรีนี่ยจบไม่ละหมาดไม่ละหมาดเพราะอะไรเพราะเสื้อในนิติไข่บอก แม้กระทั่งอุลามาที่บอกว่าเสื้อผ้าต้องน้าจิสเนี่ยเขาก็พูดในกรณีที่เสื้อผ้าน้าจิสและเปลี่ยนเสื้อผ้าไม่ได้ล้างเสื้อผ้าไม่ได้ซักเสื้อผ้าไม่ได้แล้วเวลามันจะหมดแล้วเนี่ยเขาก็บอกว่าให้ละหมาดในสภาพนั้นไม่มีที่บอกว่าจะเสื้อผ้าน้าิสล้างไม่ได้ซักไม่ได้เนี่ยก็ไม่ต้องละหมาดไม่มีนะ่้าสถานแบบนี้ไม่มีนี่บางอย่างเนี่เราต้องเอออย่านะฮะสลแมุอะลัยกุมุอะราะฮฺมะตุลลอ